เรื่องกาคือการแียงเหงนั่นคือบกล่าวแบบว่าเราเห็นใจนล้ต่มันคุ้มค่ากับเบื้องของเราเืยืออ๋อจึงต้องหลบต้องหนีเราอยู่คนเดียวอย่างไรมีค่ามากเมื่อีมาดูเราอย่างนั้นมีค่าอะไรแรงความของวน ลำบากลำบนในชาติขันองเราเขาก็ได้เส้นดีใส้นิดหน่อะเพราะเั็นเองจึงต้องหำบากมากนบผงยิ่งลำบากเข้าไปคุกวันทุวันไม่เป็นความกระบอกกระบากไปยังไงเพราะคนรู้ทั่วโลกว่างันเลยไม่รู้เพียงวังไคเลยนะทั่วโลกไปวังไคไปยังไงก็ไปก็เขาเห็นในอยู่หมดแล้ว ผู้อ่านงนั้นนะมัก็ไปนเน้วเยากคือมีกายมีงามมีเหตุมีผลมีอยากมีเกินไปเป็นระยะระยะทนเอาอย่างนั้นอืมเกิมารุมอย่างนั้นตลอดโอ้ไม่ได้อย่างนั้นลำบากขมขันจริงกานเทศนาว่าการทางหน้าทังตาเทศในขนาดนั้น พอจแล้วก็วางไปเป็นระยะระยะระยะอิมเงินไม่ได้ดยื้อเยาะกับใครอนยะ่างเงี้ยใครจะมายือเยาะกับเราไม่จรงไม่ไ ด, ด้วางออกมาแง่อ <c> อ <oughs> กมาสู่สมมุติเป็นบาง <c oughs> การบางเวลาที่เห็นต้องควรต้องควรอย่างนั้น ก็เริ่มพูดไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วคนแก่จะให้เป็นจังหวะตาโคลมันไม่ได้หรอกพูดอยู่จะฟังเอาเป็นคติมันก็ได้จากเสียงจากเสียงไปเรื่องจิตนี้นะเขาพิลึกพิล่นนะผมจึงอยากให้เพื่อนฝูงทัง้งหลายสนใจกับธรรมของพระพุทธเจ้านะเลือดขนาดไหนพูดไม่ได้เลย พูดอะไรกันฟังม่นมีใครรู้เรื่องเห่อคือพู้เจ้าข้าพัดไทยถึงถึงได้พูดจังเท็เมื่อเช้าเนี่ยมันผางผางออกเห็นไหมอ่ะไม่รัดรอยมาพูดถเจ้าอย่างว่ามันเป็นขึ้นเต็มเหนี่ยวแล้วมันพุ่งออกมาเล ย, เยกำลังของธรรมของความอัศจรรย์ใครจะมีเจตนาอะไร ไปวัดรอยพระพุทธเจ้าให้เป็นคู่แข่งขันพระเจ้ า, ากราบกลมสนิทในหัวใจแล้วจะไปมีเจสนาอะไรแม้ยับหนึ่งก็ไม่มีเลยไอ้โลกมันฟังเป็นความโสโครกเป็นหมดทั้งที่ไอันนี่ที่โซเล่เพราะโลกโสโครกเอาความสวัสดเข้ามาไม่ได้ต้องเอาแต่ความโสโครกกว้านเข้ามากว้านเข้ามาโลกเป็นอย่างนั้น มันธรร ม, มชาตินี่มันไมไ่เหมือนอะไรเลยใช่ว่าไงเนี่ยผลอย่างการปฏิบัติปฏิบัติมันแฉลแบแฉบตายผมยอมว่าผมหนักที่สุดเรื่องความเที่ยงพูดให้ใครฟังไม่อยาบมีใครเชื่อนะมันเป็นนเจ้าของเองนะนิสัยแล้วเด็ดกะด้วยนะว่าอย่างไรแล้วเด็ดขาดก็ด้วยว่าเจ้าของนี้ยิง่งว่าเอานาเท่านั้นเนี่ยเคลื่อนไม่ได้เลย เหมือนหินหักนะอยนี้เรามาต่อกันมันจะเป็นรอยต่อเสีอนั่นมันเป็นสมะมันไม่เป็นหินธรรมชาติเลยอันนี้ถลงได้เอาหนาว่างั้นมันขาดไปเลยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตเนี่ยรู้สึกว่าจะผิดแปลกทั้งหลายอยู่มากทีเดียวจีตผมนะไอ้พูดอย่างนี้คนก็อาจจะว่าโอ้ก็เอาความจริงมาพูดแล้วส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีใครเหมือนนะ ยังดูเพื่อนอยู่ในวันนี้ผมคนดูเฉยนะอื เ, ะอเหมือนขอนตร ง, งเก้งๆก้างๆดูอะไรไๆเนี่ยเนี่ยคนจะแก้กิเลสข้ากิเลสกับกิยาการอย่างนั้นมันเข้ากันไม่ได้เนี่ยยิ่งธรรมะจะเด็ดเด็ดเด็ดเพื่อมาขนยุพาแล้วกับสิ่งข่านี้มันก็นเข้ากันไม่ได้มันเก้งมก้าง โตเวลาถึงกันอัศจรรย์ไม่แห้งไม่เคยคาดเคยคิดไว้เลยนะนี่เราตักธรรมชาติขึ้นแต่ๆไม่ถามใครแล้งนั้นนะเป็นลธรรมชาติตัวเองไม่เหตุผลพร้อมไปแล้วผึงออกมาที่โถจิตเราเนีมน่มันมีนิ ส, สัยเด็ดอยู่มาตั้งแต่คารวสมีอยู่ กับความจริงนี่หม่รู้ชัดแต่ก่อนไม่ได้คิดว่าเป็นอักเป็นทำรรอะไรละตามนิสัยสา ม, มารถสนาอะไรแล้วมันก็เลยตามภาษาว่างั้นเถอะแต่การโกค้าสมาคมนี่มันหักมีในจิตนะคนใดเราเรอเลยแหละไม่อยากเล่นด้วยนะอแล้วยิ่งเป็นคนเห็นแก่ตอกคนต้นนี่ที่เหนียวนี่เข้าไม่ได้นะตั้งแตเป็นค า, ารว่าก็ไม่เข้าแล้วก็เป็นเราธรรมดานะ แต่มันล่าแปกต่างกันให้เข้าไม่ได้นั่นแหละเพราะนี้สายเราก็เป็นเหมือนโลกทั่วไปไม่จะหนีทีเหนียวอืมไปที่ไหนทํางานนี่ไปที่ไห น, ไไหนมู่เพื่อนลุมเลยละ่ะเราไปทํางานที่ไหนเพราะเหตุอะไรเพราะเราไม่เห็นแก่ตัวมีมากมีน้อยเลยมากน้อยแจ ก, กันทั่วถึงหมดดีไม่ดีจะของได้น้อยกว่าที่จะให้ได้เสมอหมู่เพื่อนเนี่ยแมะ มันควรจะเสมอจริงถึงจะเสมอถ้าจะไม่เสมอเราต้องลดท่องเราลหลวงหากเป็นในจิตเองเพราะฉะนั้นเพื่อนสูงจึงมีมากไปที่ไหนทําการทํางาน <c oughs> อะไรก็ตามเพราะเรากลัวให้มันโกงอะไร น, นิสัยเราไม่ใช่นิสัยคนชี้เกียรนิสัยเอาจริงเอาจังมันทำมาตลอดหลายๆอดออดอะไรอนนันนี้ไม่เห็นะ น, นี่เป็นนิสัยเป็นางา น, นก็เข้ากันได้กับที่โยมพ่อพูดนะ ยมพ่อยมแม่เนี่ยไม่เคยชมแล้วแต่ว่าใจอยู่ในในตัวถ้าเราปล่อยให้เราทํางานอะไรแล้วนี่พวกน้องๆ น, นี่อยากแตกหือเหมือนกับว่ามันจะร้องไห้ตามนะถ้าพ่อแม่ไม่ได้ไปด้วยมันเอาจริงจริงๆนะคือเอาแทนพ่อแทนแม่อย่าให้นี่ต้องไินูนะ่นน่ะไม่อย่างงั้นนะถ้าลงได้ทําอะไรไปเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นมันถึงมาฟ้องแม่พวกน้องๆก็อย่างเขียนไว้นั่นแหละ มีเสียไม่เปล่าก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่ไม่ไม่ไปช่วยนะนั่นหละ่ะสูไม่เป็นตาสะแตกว่ะแต่มันดัดอางนั้นกะพอดนะีเป็นอย่างนั้นแหละถ้ามีเราเป็นหัวหน้างานถ้าไปกับพ่อกับแม่ก็ธรรมดาขึ้นเมื่อไรก็หยุดเมื่อไรก็หยุดไม่ว่าเกี่ยวเข้าเกี่ยนนะ้าไม่ว่าดําไรดไรํานาอะไรทํางานอะไรก็เกี่ยวข้องกับเป็นส่วนรวม ให้เราเป็นหัวหน้า ง, งานเราเป็นอย่างนั้นหละวงน้องๆเราโอ้ยมันจะตายแล้ ว, <c oughs> ลวพอแม่ไปด้วยเป็นหัวหน้า ง, งานแล้วเราก็ธรรมรามือนกันมดมันเป็นอย่างนั้นนีิสัยอันเนียงพอจึงได้มายกเอาตอนนั้นละตอนน้ําตาร่วงมาที่เราไม่บวชใหนะ้เสียใจมากกําลังรับทานเป็นวงมันอยู่นี่ เราไม่หลือมโอ๊ยฝังลึกมานี่ละที่เห็ุจะได้บวชน้ำตาพ่อนะทำไมอย่างนั้นนั่นจังจะไม่บวชนะพอน้ำตาล่วงพอล่วงลโอ้โ ห, โหถ้าดุตั้งเลยเดี๋ยวลูกออกจากที่แล้วนับทานไม่ไม่อิ่มนะลูกอย่างนี้เลยสะเทือนใจนักพอพูดพอฟังจบแค่นั้นแหละนะเออลูกกูก็มีหลายคนวาอย่างนี้นะ คนเหล่านั้นกูไม่ค่อยหวังพึ่งมันอะไรอะละเนี่ยว่างนั้นนะแต่บัวเนี่กูพึ่งได้เลยฮถ้าลงมันได้ทําอะไรแล้วการงานอะไรนี่กูสู้มันไม่ได้เนี่ยอันนี้มนไม่ลืมนะถ้าลงมันได้ทําอะไรแล้วกูสู้มันไม่ได้แต่อัเนี่ยมาลงตุนเนี่ยคิดว่ามันไม่บวชให้เนี่ยเวลากูตายแล้วถ้นะอันนี้มันลากกูขึ้นนระกไม่ได้ ไม่มีใครจะลากก่นะลูกทุกคนว่างกูนี่ต้องจมแนะ่แล้วไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้เลยนะเพราะว่าน้นำ่าล่วงเราไม่สลดสาวเวตปึงเลยกันทีเลยผูอาศัยมันคนเดียวนเนี้ยลูกผู้ชายกันมีสามสี่คนแล้วมาลงในเราคนเดียวเวลาลงนะี่ยอยอเพื่อทุ่มลงเราก็รู้ แต่ก่อนไม่ยอ่อแต่หักรู้ว่าไว้ใจอยู่ตลอดถ้าลงเราอลไรลั่นคําอะไรแล้วพ่อนีิเชื่อนะเพราะปิดจริงความจริงมาเป็นคารวะไปอย่างนั้นแล้าว่ามีหากมีอุบายละพ่อพูดเออกูอยากไปธุระนั่นธุระนี่อะไร่ะไปแต่ไม่มีไงครับต่างมาในกู่อย่างนั้นอันนะี้พอเราฟังแล้วเออไปละับผมจะทําให้ฉะนั้นแล้วโ อ, อยากเตรียมของเยี่ยวนั้นเลย คือมันจริงจริงถ้าลงแล้วลั่นคำเรามาได้เรียบเลยแหละเน่ยเพราะจึงว่ากูสู้มันไม่ได้ให้ไว้ใจทุกอย่างถ้าลงทําอะไรเนี่ยมาช่วยชี้ให้พ่อแม่ได้เ ก, ก็บกรรมหนี้ไม่มีสําหรับผมเองไม่มีถ้าลงไดลงมือทําอะไรแล้วพอจึงเลยว่ากูสู้มันไม่ได้เนี่ยเวลาบวชมันก็จริงทางบวชนี่นะ ริงทุกอย่างนะพระวินัยไม่เคยมีเจตนาจะข้ามเกินเลยแลวลึกไม่ไรยเลยความอิริโอตปะรักสงวนมากในพระวินัยเป็นอันดับหนึ่ง่วรทมมันจะพิบูวะภาคหากได้ตำหนิตนเองไปเรื่อยๆ อ, อ่านไปดูไปเนี่ยตรงนี้เราก็เคยเป็นกันตำหนิว่างั้นเราผิดมาแล้วนี่นะ กินมาแล้วผวเาส่วนวินัยไม่มีบอกงงๆเลยผมผมไม่เคยเข้มวดกวดขันมาก <c oughs> ไปที่ไหนอบอุ่นอบอุ่นตลอดเข้าในป่าในเขาเพียงสีเท่านั้นพอนะอบอุ่นมัดเลย <c oughs> ไม่ไม่เดือดร้อนกันที่ไปกลัวตายกลัวเป็นอะไร อาศัยศีนเท่านั้นอบุนแล้วตายก็ไม่ตกนรกเลยวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องศีีรักษาแล้ ว, ลวจึงมาเห็นดีที่งพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ี้ศีกับพระอานนท์สุ ก, การาอานนท์แล้วจะอานนท์จะมาหวังอะไรกับเราอีกที่พระอานนท์ทูลรัตนา ให้ท่านทรงพระชนอยู่เป็นเวลานา น, านไม่ยังให้อยาให้นิพพานง่ายง่ายว่านุ์มาหวังอะไรกับเราพูดภาษาของเราเราก็ยังเหลือแต่ร่างกระดูกเท่านั้นเองทำแล้ววินยัยเราสอนไว้หมดแล้วแล้วจะมาหวังอะไรกับเราอีกเดีย๋ยาทำวินยัยนี่นะนถ้าท่านย่นเข้ามาอีกว่าพระธรรมแล้วพระวินัยนั่นแหละ จะเป็นจักราของเธอทั้งหลายแทนเราตขาคตเมื่อเราตายไปแล้วนั่นดูกรอนอนนท์เมื่อยังมีผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยอยู่พระอราหันต์ไม่สูญจากโลกนะอนอน์มันถึงใจทั้งนั้นหนระือนี้เราก็เคยประคองรักสงวน พระวินัยทำแล้วเรายังไม่เข้าใจอะไรนักละ่ะยกไว้เจะทำความเสืเอ่อซ่าซ่าแต่พระวินัยนี่แม่นยำมากทีเดียวฉ <c oughs> ันว่าพระธรรมกับพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสราของเธอทั้งหลาย <c oughs> แทนเราจะถาขนขดเมื่อเราตายไปแล้วนี่แหละเป็นบทสำคัญมากขอให้หมู่เพื่อน ยกเอาหลักธรรมหลักวินัยมาติดแนบกับใจประคับประคองด้วยความมีสติปัญญาความภาคความเพียรความระมัดระวังอย่าให้กระทบกระเทือนศาสดาด้วยการข้ามเกินธรรมวินัยอันมีความประคองศาสดาอยู่ด้วยหิโอตะปะสะรุ่งกลัวต่อบาปตัวกรรมตามพระวินัยที่ทรงห้ามไว้แล้วอย่างใดอย่าพากันฝ่าฝืนนะ ที่ไหนเราจะมีาศาสดาติดตัวเราตลอดเวลาแล้วอกุ่นถ้าเรามีความสังรวมระวังรักสงวนาศาสดาคือทำในไหนไว้ในใจของเราด้วยความมีสติและวัดระวังอยู่ตลอดเวลาปัญญานั้นออกเข้าเดินเป็นระยะระยะเนี่ยแล้วเราจะอกุ่นเป็นลําดับลาดาเ <c oughs> นี่ยนะสําคัญมาก ท่านตั้งหลายอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธที่เล่านิพพานแล้วทางโน้นการนั่นการนี้นั่นเป็นเรื่องมืดกับแจ้งเวลาเวลาไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมธรรมแท้กิเลสแท้อยู่ที่ใจของเราอืกิเลสแท้ก็แสดงออกมาลบล้างธรรมลบล้างธรรมภายในใจของเราและธรรมแท้ก็มีสติธรรมปัญญาธรรม วิ ธ, ธรรมทำจัดรักษาตลอดเวลาที่เรียกะ่าทำแท้ตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้อย่าไปคำนึงคำนวณเวลาเวลาเกี่ยวกับเรื่องที่จะเอามรคนิพพานกับเวลาเวลาผิดทั้งเพให้เอาจากองาศาสดาที่ประทานไว้แล้วแทนประสัสดาของเรา ออืเป็นอาจารย์ของเราเป็นศาสตราของเราด้วยหลักธรรมหลักวินัยอย่าข้ามเกินนะข้ามเกินนิดผิดนิดผิดนิดนั่นนี่เราศาสตราแท้ข้ามเกินก็เท่ากับเยียบหัวพระพุทธเจ้านั่นแหละก็ยี่ยบหัวเราในขนาดเดียวกันให้พากคระมัดระวังศีล่าให้หลางพร้อยนะให้รักสงวนอย่างยิ่งอย่าเอากิเลสตัณหา มาแทรกเป็นทิฏฐิมานะเห็นเป็นความสะดวกสบายไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องเลวร้ายมากนะถ้าลรามอาไม่เป็นไรและเลวร้ายมากนะไม่เป็นไรก็แลยก็องศาสร า, า, า, าทั้งองค์คือวินยัยคือธรรมอันดับแรกก็คือคือวินยัยนี่แหละกัน้นอย่าเป็นรั้วกัน้นสองฝากทางให้ก้าวเดินไปตามแถวของธรรม อย่าข้ามอย่าเกินอย่าเปลี่ยนอย่าแวะออกนอกรูออกทางที่พระวินัยเป็นรั้วกั้นไปเรียบร้อยแล้วให้สั่งรวนระวังอยู่ในรั้วคือพระวินัยอันนี้สาคัญเพศของพระชีวิตของพระเต็มองค์ของพระอยู่กับพระวินัยล้วนล้วนทมแล้วก็บาเพ็ญขึ้นไปเลยๆสำหรับพระวินัยให้คงเส้นคงวาหนาแน่น ด้วยความเป็นพระตามแบบเต็มแบบเต็มฉบับของเรานะพระเต็มแบบเต็มฉบับคือมีศีลที่ประทานให้แล้วตั้งแต่วันบวชเราเป็นพระสมบูรณ์แบบเพราะรับศีลมาแล้วเพื่อรักษา <c oughs> เมื่อเรารักษาศีลของเราอยู่ตามแบบตามฉบับของพระผู้ต้องการความสมบูรณ์แบบแห่งความเป็นพระของตนแล้วจงระมัดระวังตลอดเวลา อย่าให้ด่างพร้อยนะนี่แหละหลักสาคัญมากศาสดาแสดงไว้ตรงไหนให้ถือเป็นสาคัญยาวการสถานที่ไวลาเวลาเลยเข้ามาบีบบังคับหรือทำลายให้ทำความเลวร้วายด้วยความเห็นแจ่ได้แก่ทำความสะดวกเขาว่านี่ไม่ใช่ศาสดานะความสะดวกคือเรื่องมารของธรรม มารของศาสุดาและก็มารของเราโดยตรงให้พากันละมัดระวังการละมัดระวังตัวของเราเนี่เนี่ยคือสมบัติอันล้นค่าอยู่ที่นี่นะอยู่ที่การละมัดระวังตัวกับทำกับทินไหนนี่แหละมรรคผลิพานอยู่ที่นี่นะอย่าไปหาตามดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมสถานที่นั่นที่นี่ โดยสำคัญว่าเป็นมรรคเป็นผลไม่มีอยู่ที่จุดระมัดระวังตัวด้วยความมีสติภวินัยก็มีสติรักษาอยู่ภวินายไม่ค่าเกลื่อนธรรมก็มีสติรักษาอยู่ด้วยการบิดตะภาวนาของตนึกเช่นสติต่ออยู่ตลอดเวลาสัมปชัญญะเคลื่อนไหวไปมาอะไรให้มีความรู้ตัวเสมอนี่เรียกว่า ผู้เห็นภั่ในวัฏฏะสงสารให้พากันนรณมัดระวังดูตรงนี้นะมรคนิพานไม่อยู่ที่ไหนศาสราสอนลงตรงไหนนั่นแหละมรคนิพานอยู่ตรงนั้นนรกอวิชีก็อยู่ตรงนั้นถ้าสอนให้ละหรือสอนให้ระวังข้ามเกินไปเสียนั่นนรกอวิชีอยู่ตรงนั้นพระวจนะเท่านี้เด็ดขาดมากทีเดียวนะมไม่มี คาเคลื่อนไปเลยไม่ว่าดีว่าชั่วผิดถูกเป็นผิดโดยกองเป็นถูกโดยกองดีโดยกองชั่วโดยกองเนี่ยเชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อพระธรรมกับพระวินัยอย่าไปเชื่อสิ่งอื่นใดยิ่งกว่าพระธรรมพระวินัยซึ่งเป็นองค์ศาสดาแทนพระองค์ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติละมัดระวังตนด้วยโลกเป็นอย่างเราเห็นนี่แหละเกิดมา ก, กี่กับกี่กัน มันมจะมีแต่เกิดกับตายแบกหามกองทุกข์ไปด้วยในภพชาตินั้นๆภพชาติที่พอมีอัตมีธรรมครองใจบ้างก็พอมีความโอปุ่นในบางการบางเวลาผสมผสมกันไปกับความผิดพลาดที่แสดงผลขึ้นมาให้เป็นความทุกข์ที่เรียกว่าเป็นบาปเป็นกรรมนั่นเป็นแย่ๆกันไปขอให้มีหลักธรรมหลักวิ น, นัยติดเนื้อติดตัวไปที่ไหนอย่าเลื่อนเล่อเผลเอจติต สติสัมปชัญญะให้ติดกับตัวการภาวนาของทุกท่านขอให้ยึดหลักใจไว้ให้ดีผมพระผมดำเนินมาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจจึงกล้ามาสอนหมู่เพื่อนสติสำคัญมากเอานี่เลยนะเป็นพื้นฐานเราภาวนาทำบทใดก็ตามสติกับคำภาวนาจะให้ห่างกันอย่าไปเสียดายอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ นิเลศมันผลักดันออกมาขัดมาแย้งอยู่นั่นแ่ละให้คิดตามเรื่องของนิเลศมันมีกำลังมากหรือไม่ดีปัดคำวิกรรมของเราออกจากใจชัดปิปัดทิ้งลงเหวลงบ่อไปมีแต่ความอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งตามอารมณ์ของเิเวศที่มันรุนแรงเปิดทาง ของกิเลยตัวที่เดียวโล่งไปหมดนั่นแหละคือไฟนโลกเผาใจในขณะนั้นนี่แหละให้สู้กันตรงนี้นะมันจะอยากคิดอยากปุงเรื่องอะไรความอยากนี้คือภัยให้ว่างั้นเลยการต่อสู้ความอยากคิดอยากปรุงนี้คือการลบกันจะเอาชัยชนะกันไม่ยอมให้สิทต้องเอากันอย่างนั้นไม่เสียดายความคิด เราคิดมาตั้งแต่วันเกิดที่นี่เราจะมาปฏิบัติยังมาเสียดายความคิดอันเป็นเรื่องเลวสามส่วมฐานของเกยือยู่แล้วเราจะเป็นส่วมเป็นฐานเรื่อยไปหาอัาธรรมมาคลองใจไม่ได้นะให้พากันตั้งอกตั้งใจจริงๆนะให้อยู่กับคํำมากบุคคำบริกรรมใครชอบคําบริกรรมคําไหนให้ติดแนบกับคําบริกรรมคํานั้นคําบริกรรมนั้นติดแนบกับใจสติติดแนบกับคําบริกรรมสาม พระองค์นี้ให้อยู่ด้วยกันแล้วอย่าหวังเอาอะไรเอานี้ก่อนเบื้องต้นขอให้จิตได้ครับความสงบจากความฟุ้งซ่านที่จิตเดลากถูไปไม่มีวันอิ่มพอจะฟุ้งซ่านตลอดไปถ้าเราไม่หักห้ามด้วยธรรมหรือความภาเพเปลี่ยนสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะวิริยะธรรมขันติธรรมอดทนมันอยากจะที่ขนาดไหนให้ห้ามเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นภยัย ทำเห็นไพ่ต่อสิ่งว่านี้ <c oughs> เรายังจะเห็นสิ่งวันนี้ว่าเป็นคุณยังคิดยังอ่านตามมันอยากคิดอยากอ่านอยู่แล้วนั่นแหละเราเป็นฆาศึกต่อธรรมเป็นฆาสศึกต่อตัวเองจะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ภาวานาวันไหนก็สู้เย่ความอยากคิดอยากปรุงไม่ได้มันลากไปห้าทวีปห้าทวีปอย่างนี้ตลอดไปใช้ไม่ได้เลยนะไม่เข้าท่าเข้าทีกับผู้มาตั้ง ใจมาปฏิบตัติเพื่ออัดเพื่อทังเพื่อมรักโลนิพานเอาให้จริงให้จังเราเวลาเด็ดให้เด็ดสิยาอ่อนแอท้อแทะถึงข่าวเด็ดเด็ดเช่นอย่างเราจะตั้งใจภาวนาปักจิตลงไปเลยให้สติติดแนบอยู่กับนั้นแล้วกิเลสจะไม่ผลักดันออกมาไปกวาดเอาฟืนเอาไฟมาเผาตัวเองกิเลสออกจากใจนะ มันผ ล, ลักดันออกมาให้อยากคิดอยากปรุงคืออวิชชาปัจจยานั่นแหละพาให้อยากคิดอยากปรุงออกมาแต่ก่อนเราไม่รู้นะนี่แต่ความอยากคิดอยากปรุงมันออกมาจากอะไรไม่มีทางแล้วเวลาจิตมันตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามามันก็เห็นแต่อวิชชาที่มันคิดออกมาจากนั้นอ๋อตรงนี้ตรงป้อนเยื่อให้ สังขารทำงานเป็นสมุนไทยขึ้นไปว่ามีสิ้นสุดออกจากตัวนี้เองนั่นมันจับได้แล้วเพราะนั้นจึงปักลงไปเอาทำเขา้าลบล้างหรือ บ, บีบบังคับกันด้วยความมีสติในเวลาภาวนาคู่ตั้งต้นเบื้องต้นให้เอานี่แหละเป็นกอไก่กอกาติดแนวกับปิดรู้อะไรไม่รู้อะไรก็ตามขอจะให้เผอจากจิด้ดวยสติ คำบริกรรมให้ติดไว้เสมอและต่อไปไม่นานใจนี้จะค่อยสงบจะค่อยเย็นลงไปสงบลงไปความปลักด้านของกิเลสที่พาคิดต่างๆก็เบาลงเบาลงนี่นี่ทำมาแล้วนะมไม่ใช่ธรรมดาต้องเอาสละเป็นสละตายจริงๆซาดกันเลยไม่ให้เผลอคิดดูที่ตั้งต้นที่แรกนี่แหละคำสัตย์คำจริงเหมือนว่าละขังดังแต่งนี่น้ำมวยฟัดกันเลย อันนี้ก็ลระครังดังเป่งคือชัด จ, จากความจริงของเราลงจุดแล้วเน่ากันพอว่างันเอาเลยก่อนที่จะมาเป็นลงจุดนี่คือเราได้ไข้ควรถึงเรื่องจิตเราจเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมาเป็นปีกว่าอ๋อมันเสื่อมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีนี้ฟาดเดือนเมษาปีหนะ้านานเท่าไหร่นี่แหละตกนรกทั้งเป็นแหมทุกแสนสหาหัสนะเพราะงั้นจึงเข็ดจึงลาบ เรื่องจิตเสื่มนี่ทุกมากยิ่งกว่าจิตไม่เป็นอะไรซึ่งเราไม่เคยได้อบรมมาแต่ก่อนไม่รู้เรื่องรู้ราวมันก็ธรรมดามันแต่จิตได้หลักได้เกณฑ์มีความสมาภาพเผยมีคุณค่าขึ้นมาในใจสงบลมเย็นอยู่ไหนเย็นหมดเย็นหมดแล้วมาเสื่อม mm. เพราะเราไม่เคยเราไม่รู้จักวิธีรักษาน่ะสิมันถึงได้เสื่อมทายังไงทำยังไ ง, ไงมันจเจริญขึ้นมา แทบเป็นแทบตายเลยสิบสี่ห้าวันค่อยเจริญขึ้นไปเจริญขึ้นไปไปอยู่นั่นถึงถึงจุดที่มันจะลดตัวมันไปอยู่นั่นแหละไปอยู่ได้สองคืนสามคืนทีนีพอเคลื่อนที่นี้ลงเลยนะทํยังไงก็มาอยู่ห้ามยังไงก็มาอยู่ลงต่อหน้าต่อตาจนสุดฉีดยังเหลือแต่อีตาบัวมดข่ามูลคาพยายามใสขึ้นมาอีกอย่างนี้อย่างนี้เรื่อยมาจน ปีปีกว่ามันก็เกิดความสงสัยเอมันอาจจะเปลี่ยนเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมกำหนดจิตเฉยเฉยมันอาจมีทางเผลอไปได้จิตใจจึงเสื่อมได้อย่างนี้ทั้งๆ ท, ที่เราตั้งใจเวลาภาวนาก็ตั้งใจด้วยสติแต่สติไม่ไม่มีคำบริกรรมผูกมัดกันนี้มันเผลอได้จริงนะ เราะฉนั้นจึงมาวิฉัยคราวนี้นี่มันที่มันเสื่อมนี้กับปรงเป็นเพราะเราขาดคําบุริกรรมะ่ะมาพิจารณาวิฉัยชตัวเองทีนี้เราจะเอาคําบริกรรมให้ติดแนบกับใจเลยมีสติบังคับกับคบําบริกรรมไว้ไม่ให้เผล อ, อะเอามันจะเป็นอย่างไรจะทดสอบจะดูกันตรงนี้ว่างอันนะัอันนี้เรายังไม่เคยทําแบบถึงไหนถึงกันแบบที่ว่าเอาจริงเอาจัง ให้มีสติติดแนบตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับนี่เราจะทําอย่างนั้นว่างเพราะทําอย่างอื่นมันก็ไม่ได้ผลอย่างนี้ล่ะเอาพินิจใจใจลงลงล ง, ลงกันได้ละที่นี่เอาอย่างนี้แน่นอนนี่จึงเที่ยวกับเหมือนกับว่าละคังแต่งแล้วเอาเลยเอาน่าที่นี่นั่นแหละนะพอพราะว่าเอาสติจะเผอเปไปไหมล่ะที่นี่ตั้งแต่บัดนี้ต่อไป เ, เรียกว่าขึ้นต่อยวันเวทีแล้ว เหมือนหนึ่งว่าละขังดังเป่ง น, น้อเม้าก็ซั์กันเลยอันนี้เพราะละังดังเป่งคือสัญญาลงจุดแล้วที่นี่สติจับปุ๊บเลยไม่ให้เผลอตั้งแต่ตื่นนอนเอาให้เผลอจริงๆนี่จับอยู่ตลอดเวลานี่เป็นทุกมากนะทุกมากที่สุดโทษก็ไม่ถอยือตั้งอติพุโทโธพุโทโธอยู่กับนั้นไม่ให้เผลอให้ติดกันตลอดตลอด เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนไม่ถือเป็นงานสำคัญยิ่งกว่าไม่เผอกับคำบุรีกรรมนี่แหละไปบินทบาดก็ก้าไปแต่แข้งแต่ขาเขาอะไรมาใส่พุทโธไม่ไม่ได้ปล่อยเลยเอามีอะไรใส่ก็รับไปรับไปแต่พุทโธกับคำอ่สตินติดแนบติดแนบไม่นานนักนะคือเอาจิงเอาจังไม่เผอจริงๆงจนกระทั่งหลับเลยนี่จงว่าทุกข์มากนะ การตั้งสติแบบเอาจริงเอาจังถึงขนาดที่ว่าละคังดังเป่ง น, นี่นียกว่าเป็นคำศาสตร์คำจริงต่อยกันยังถึงพลิงถึงขิงจิตนี่จะเผอไปก็ได้ว่างั้นเลยเพราะว่าเอาหน้าบังกับที่นี่ตั้งอย่นี้ไม่เผยเลยว่าใส่กันไม่หลายวันนะแล้วที่นี่จิตมันก็ค่อยค่อยสงบค่อยสงบสิ่งที่ผลักดันคือความชิดตรุงของ กิเลสที่มันเคยตัวมันผลักดันออกมาจากที่ดังนั้นนี่เราบังคับไวาอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ยอมให้มันออกเลยนะความคิดเหล่านั้นไม่ให้ออกให้มีแต่คําว่าพุทโธออกอย่างเดียวพุทโธเป็นคําบุิกรรมเป็นธรรมไม่ใช่กิเลสกับสติติดแน่ไปนี้สุดท้ายอันนั้นมันความผลักดันอันนั้นก็ค่อยเบาลงเบาลงพุทโธก็โล่งขึ้นโล่งขึ้นโล่งขึ้นเรื่อยทีนี่ก็โล่งไปเลยนะนี่อันหนึ่งนะ เวลาจิตพุโทโธกับคำบริกรรมติดแนบกันไม่หยุดไม่ถอยไม่มีเวลาปล่อยวางกันเลยไม่มีวักมีตอนอ น, นี้เข้าไปจิตก็สงบลงสงบลงละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปโตจนกระทั่งที่นี่ว่าคำว่าบริคำบริกรรมพุโทโธจิตมันลงความละเอียดเต็มเหนี่ยวแล้วบริกรรมคำว่าพุโทโธไม่ได้เลยนะหมดนี่มันเป็นเอง นึกยังไงก็ไม่มีเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดนึกคําบริกรรมไม่ได้เลยงงเจ้ของอา้าวมันเป็นยังไงอย่างนี้ไม่งงก็ไม่เผอนะเนะี่ยมันเป็นยังไงที่นี่ตะก่อนทํ า, ารบริกรรมกาหนดบริกรรมได้บัดนี้ทําไมมันบริกรรมไม่ได้ทั้งท้งที่ไม่เผอแต่นึกเป็นคําบริกรรมไม่มีเลยนี่ตากสินเจ้าของอีกว่าอา้าวถึงไม่มีก็ตามคําบริกรรม ความรู้มีอยู่เอาสติจับกับความรู้เลยอ่ะมันจะเป็นไหนให้รู่กันสติจับไม่เผลอเช่นเดียวกับเราบริกรรมมันแหละให้สติจับนั้นนั่นไอ้นี่เวลาสติจับอยู่กับอาจิตที่มันละเอียดแล้วนั่นแล้วล้พอได้จังหวะโอ้นี่มันสงบนะ น, นั่นนะคือมันสงบบริกรรมไม่ได้เลยทั้งทั้งที่ไม่เผลอไ ป, ไปไปยังอื่นทั้งหลายอะแต่บริกรรมไม่ได้เห็นชัดเจน เอาเอาให้สติอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นยังไงวงะสติทีนี้พอได้จังหวะมันก็ข้อคลี่คลายออกมาพอเราไม่เผลอมันตามกันได้ทุกรยานพอคลี่คลายมาเอาบริกรรมทดลองดูพอนึกบริกรรมได้ได้ได้ไดเอาเลยนั่นแหละเข้าเลยเอาอีกทีนี้ก็บบริกรรมได้อีกนะ มันถอยออกมาแล้วได้อีกเมื่อทีนี้เวลามันได้จังหวะมันก็ลงอีกแบบเกา่าทีนี้รู้จักวิธีปฏิบัติแล้วเอาลงอย่างนั้นก็ให้มีสติจอนี่แหละไม่นานจิตก็ค่อยตั้งรากตั้งฐานขึ้นได้ทีนี้จิต เ, เลื่อนขึ้นไปเละเอียดขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงที่มันเคยได้แล้วมันเสื่อมเอาทีนี้เอามันเสื่อมให้เสื่อมไป ทำว่าพุโทโธกับอใจนี้จะไม่เสื่อมจากกันสติไม่เสื่อมจากกันอันนั้นจะเสื่อมไปแล้วเสื่อมเพราะเราเคยอหินฉาละใจด้วยทุกทรมานกับมันมาแล้วไม่อยากให้เสื่อมซะเมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเอาจะเสื่อมก็ให้เสื่อมไปจเจริญก็ให้รู้กันเสื่อมก็ให้รู้กันแต่พุโทโธนี้จะไม่ยอมให้ให้เสื่อมให้ขาดจากเป็นคําบริกรรมนี้เลยไปเรื่อยเรื่อยเล ย, เลยพอไปถึงขั้นที่มันเคย เคยขึ้นแล้วมันจะลงนะะมันเคยธรรมดามันถึงแล้วมันต้องลงพอไปถึงแล้วนับปล่อยเลยเอาลงก็ลงแต่ทำบริกรรมพุทโธนี้จะไม่ยอมปล่อยติดแนบเลยพอไปถึงนั้นแล้วมันเลยไม่ลงนะมันคงมันหนาแน่นอยู่นั่นเอาเอาอยู่กับนั้นอีกเอามันจะไปไหนก็ไปพุทโธนี้จะไม่ปล่อยเมื่อบริกรรมได้อยู่แล้วไม่ปล่อยอีนี้มันก็ค่อยหนาแน่นขึ้นที่ไม่ไม่เสื่อมอีกนะที่มันก็เจริญขึ้น สิบี่บห้าวันถึงขึ้นเป็นถึงขั้นนั้นแล้วอยู่ได้สองสามวันลงเลยไม่ลงไม่ลงเอาปล่อยมันจะไปไหนไปพุทธโทรไม่ปล่อยขึ้นไปก็ค่อยหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นจนจับได้ที่นี่มันไม่ลงที่นี่มิจะขึ้นเรื่อยละเอียดเรื่อยอ๋อนี่จิตเรานี่เสื่อมเพราะขาดทำบุญกรรมจริงๆนั่นน่ะจับได้เนี่ยทราบแต่จงกระทั่งจิตนี่เป็นมัน แห่งแห่งความรู้เด็กอยู่กับนี้แล้วที่นี้เอาสติจับไว้กับความรู้บริกรรมมละเอียดมากเมื่อมันพอบริกรรมพอบริกรรมแล้วอยู่ย่ ง, งบริกรรมนะที่เมื่อมันเข้าถึงขั้นละเอียดไม่รวมมันก็ละเอียดความรู้นี่มันละเอียดให้อยู่กับนั่นสติติดอยู่กับนั้น ต่อไปนั้นก็ก้าวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แล ว, วิธีตั้งจิตในสั้นต่างๆจับเอาไว้ผมทํามาเป็นแบบฉบับแล้วนะหายสงสัยจิตผมตั้งขึ้นได้เพราะอันนี้เองไม่เสื่อมอีกเลยจากนั้นก็ก็คือไ ป, ไปรับพ่อแม่ครูจารย์มาจากนักอํานาระโนมท่านไปเผาศุกร์พ่อแม่ครูจารย์เสากลับมาก็มาด้วยกันพอมาได้หมดภาระอะไรที่นี่เอาละที่นี่หมดภาระไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ถอยนะคำบริกรรมถอยเมื่อไหร่ เพอกลับมาแล้วหมดภาระที่นี่เอาจะเอาให้เต็มเหนียวฟวาดกันเลยนั่งหามรุงหามค่ำนะที่นี่พอกลับมายังไม่ได้เข้าพรรษานะนั่งหามรุ่งหามค่ำไล่เลยทีเดียวนี่จิตแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาในเวลา น, นั่งตลอดรุ่งนี่ทุกขืนไม่มีพลาดเลยนะเป็นแต่เพียงว่าลงชาล้าหรือเร็วต่างกันถ้าวันไหน ปัญญาพิจารณาไม่ค่อยคล่องตัวนักอันนี้วันนั้นทรมานร่างกายมากนะถ้าวันไหนปัญญาจับติดสติปัญญาจับติดจับติดจิตลงผึ่งอะไรอย่างนั้นพอถึงสว่างแล้วลุกไปได้เลยทั้งทั้งที่เวลาเท่ากันคือนั่งต้องเอาสว่างเป็นเกณฑ์ไม่เป็นวันใหม่จะก่อนจะลุกขึ้นไม่ได้นะบางคับเจ้าของกับบางคับแบบนี้มีข้อยกเว้นข้อเดียว คือนั่งอยู่ในระยะนั้นก็อยู่กับครูอาจารย์กับพระกับเนรบ้านนาโมนเราไม่ลืมพรรษาที่สิบเป็นพรรษาที่ผมหนักมากที่สุดทั้งทางร่า ง, า ง, างกายและจิตใจจิตใจก็ทรมานอย่างหนักกายก็ทรมานอย่างหนักลงได้ทุกข์ขื่นนี่ก็คือชล่าตายนั่นเองมันถึงหลงได้มันจะเจ็บับปวกันาดไหนเอา้าไล่เมียกันลงไปเลยมันเจ็บตรงไหนมาก มันสมมติวมันเจ็บเข่าหรืว่าเจ็บเข่ามันเจ็บหนังหรือเจ็บเนื้อถ้ามาเจ็บหนั ง, านงนมาหนังเป็นทุกเวลาหนังเป็นเป็นทุกเวลาคนตายแล้วหนังมีอยู่ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นเป็นทุกเนื้อเป็นทุกคนตายแล้วเนื้อก็มีอยู่ <speaking S 2> เผาไฟไม่เห็นเป็นอะไรจนกระทั่งกระดูกกระต่ายแท้พุงสกลร่ากายย้อนหน้าย้อนหลังด้วยสติปัญญาหมุนที่ิ้วติ้วนะเวลาทุกข์มากนี่เราอยู่เฉยๆไม่ได้นะ <speaking> สติปัญญาต้องหมุนติวติวจะไปทนเฉยไม่ได้นะมันหนักมากเท่าไหร่สติปัญญายิ่งหมุนตลอดเลยเดี๋ยวมันได้จังหวะดีมันก็ลงผึ่งเลยนี่พอลงนี่มันว่างหมดเลยอะอัศาจรรย์เหลือแต่ความปรากฏความปรากฏนั้นละเอียดสุดขีดนั่นแลหละเล่นแล้วจ้าแล้วพอได้สักขีพยานวันนี้แล้ววันหลังยิ่งกล้าหาญใหญ่เลย อามันจะเป็นอะไรเป็นอะไรก็เปลี่ยนสักขีพยานเราได้แล้วมันยิ่งหนักแน่นสรางตรงไปนั่งเก้าคืนสิบคืนแต่ไม่เว้นแต่แต่แต่ไม่ติดกันเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างนั่นล่ละผมตั้งหลักได้จิต <c oughs> ใจแน่นหนามันคงตึงตึ ง, งอนะไรอย่างนี้นี่การฝึกหัดตนเองต้องมีความจริงใจต่อตนอยาทำแล้วรเราแลลกนะ ถึงวันตายก็รอแหละอยู่อย่างนี้รอความรอแหละไม่สร้างสารคุณอะไรให้เราเลยต้องเป็นความจริงจังเท่านั้นที่จะสร้างสารคุณให้นะวันนี้ก็รอแหละวันหน้าก็แบบเก่าแบบเกา่าก็เป็นทางของกิเลสเดินด้วยความรอแหละรอแหละในทางความเพียรแต่เข้มแข็งทางกิเลสไปโดยลำดับอย่างนั้นแหละจะไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะ ขอให้ท่านทั้งหลายตั้ง อ, อกตั้งใจวิธีการบําเพ็ญก็ได้สอนแล้วนี่สอนอย่างไม่ผิดไม่พลาดซะด้วยแม่นยาเป็นที่แน่ใจเราได้ผลมาแล้วอย่างนี้จากความจริงใจของเราแล้วก้าวขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นสมาธิที่นี้เอาอยู่ที่ไหนอยู่ได้เลยนั่งทั้งวันมันก็ได้มันไม่ได้ชิดเรื่องอะไรมีแต่ความรู้ที่แน่วความคิดความปรุง มันลาคาญนะแต่ก่อนมันไม่ได้คิดมาได้มมันลาคานต้องชิดต้องปรุงเพราะขี้ใสเอาไปทีนี้เวลาสมาธิทําทับหัวความคิดนั้นแล้วมันไม่อยากคิดนี่นั่งอยู่ที่ไหนแน่วคือความรู้เปน็นอันเดียวแน่วไม่มีอะไรกวนมันคิดยี่ยยแบบางทีโอ้ยําคาญเนีน่ยมีนี่มีแย บ, บแย บ, บนี่ลาคานนี่ถึงขั้นสมาธิเต็มภูมิความคิดปรุงต่างๆลาคานไม่อยากคิด เพราะฉะนั้นผู้ที่จิตเป็นสมาธิแล้วจึงเติดสมาธิอยู่นั่นทั้งวันก็อยู่ได้อยู่ไหนสบายหมดจิตไม่ควนตัวเองคือไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายจิตนั้นที น, นี่เสียเท่านั้นเองมีหนึ่งเอ ก, กจิตเอกธรรมทั้งๆ ท, ที่มีจิตเล็กอยู่ท่านเรียกว่าเอกคตารมมันเป็นอยู่นั้นทั้งวั น, ท, วนทั้งคืนจิตดวงที่มีสมาธิเต็มที่แล้วเป็นอย่างนั้นเต็มภูมิแล้วไม่สงสยัย เรื่องสมาธินี่ไม่ว่าขั้นใดแล้วเป็นมาหมดแล้วใครยิ่งมาก็โหงยากนะตั้งแต่เริ่มเป็นสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็รู้รู้ชัดตรงกระทั่งถึงสมาธิแน่นเหมือนหินเนี่ยมันก็เป็นมาแล้วจนถึงกับว่าลืมเรื่องปัญญาถ้าอยู่กับสมาธิทั้งหวันกับอยู่ได้สุดท้ายก็ชี้ลงไปตรงนั้นเออนี่แหละนิพพานอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่รู้เด่นนั่นแหละว่านิพพานตรงนั้นเสีย มันมันข้ามากินปลาก็หมดทั้งกระดูกหมดทั้งก้างทั้งกระดูกกินหมดเลยสมาธิข้าโง่อยังเต็ ม, มไปเลยสมาธิมันจะเป็นนิพพานได้อย่างไงจนพ่อแม่ของอาจารย์มาขนาบทางด้านสมาธินีล่ล่ะพอท่านขนามนี่ออกออกอันนี้มันก็ผึ่งเลยเพราะสมาธิมันพอตัวมานานเท่าไหร่ตั้งห้าปีพอท่านลากออกทางปัญญาเท่านั้นละ่ะมันก็ นี่ผมพูดยอ่ยอๆน่ะทีแรกมันไม่ยอมลงท่านเถียงกันเหมือนกันใท่านใส่เอาเปี้ยงเปี้ยงยังยอมลงท่านออกพอนนั้นพอออกสมออกปัญญานีโถ ท, ที่นี่นะก็เหมือนกับเครื่องครัวเราครบหมดแล้วเป็นแต่เพียงว่าเราไม่ประกอบอาหารให้เป็นอาหารชนิดนั่นๆเท่านั้นมันก็เป็นผักเป็นหญ้าเป็นปูเป็นปลาอย่างเงี้ยมันไม่เป็นแจงเป็นอาหารชนิดต่างๆให้จทีพอเอามาปรุงเนี่ยคือปัญญาออกจาในใย อันนี้ออกแล้วลู้แล้วรู้แล้วกระจางขึ้นกระจางขึ้ น, น <c oughs> อันนี้มันก็รมตําหนิสมาธิอ๋อโหมันทํามันขึ้นทีแรกขึ้นชอบผลชอบผล น, นะพอปัญญาเริ่มก้าวออกเอ๊ะชอบผลชอบผลทําให้เผินให้รู้ให้เห็นเรื่อ ง, งกิเลสต่างๆแต่ก่อนมันมีตั้งแต่ความสงบมันไม่ได้เห็นจิเลสเพราะออกทางด้านปัญญาเห็นกิเลสด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนะีย โอ้ยกันหนักเข้าหนักเขา้าแก้กิเลสแก้ด้วยปัญญาต่างหาสมาธิไม่ได้แก้กิเลสแน่นอนตายเฉยๆทีนี้มันเวลาออกทางด้านปัญญามันเลยไม่สนใจกับสมาธินี่ก็เลยเถิดเพราะสมาธินี้ไม่ได้แก้กิเลสแต่เป็นที่พักของปัญญาที่ทางานเต็มที่แล้วมาพักตัวให้ได้กําลังออกจากสมาธิแล้วปัญญาเหมือนกับได้รับมีดได้รับหินเจ้าของก็เหมือนได้พักผอ่อนนอนหลับ รับทานอาหารอิ่มแล้วมีกำลังฟาดกันเลยที่นี่มีดเล่มนั้นแหละคนคนนั้นแหละฟันไม้นี่ขาดจะบ้านไปเลยเนี่ยเมื่อได้รับมีกำลังแล้วให้จำให้ดีนะคำพูดเหล่านี้นะใครจะไปหนักที่ไหนที่ไหนที่ถีมาหน้ามันจะแทรกนะ <c oughs> ผมมันแทรกมาพอแล้วเถียงจนกระั่งพ่อแม่กูอัจทร์มันแต่ท่านกระจ่างแจ้งหมดแล้วใส่เปี้ยงเดียวมันกังหันเพราะเราเถียงเพื่อความรู้ความเห็นความเขา้าเขา้เขาใจไม่ได้เถียงด้วยที่ถีมาน้านี่นะ ท่านว่าตรงไหนพอถูกป้๊มหมอบเลยหมอบเลยที่ไหนไม่หลงก็ซัดกันคับท่านนั่นเป็นอย่างนั้นอยากนั้นมาปัญญาจรได้ออกออกเริ่มออกแล้วที่เริ่มออกก็ไม่ไปไหนนะ <c oughs> ให้จำข้อนี้ให้ดีอีกนะพอปัญญาเริ่มออก ห, หมุนเข้าสู่สกุลกายเรื่องอสุภาอสุพังนะทีละ่ลังแห่งกิเลสทั้งหลายมีการมมาเกีเลวเป็นสาคัญอยู่จุดนี้นะให้พิจารณาร่างกาย ร่างกายเขาก็ตามร่างกายเราก็ตามให้พิจารณาเป็นของเป็นอสุภะอสุภังดูหนังดูเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหนังเขาหนังเรามันเป็นหนังอันเดียวกันนั่นแหละที่ขายออกดูดูหนังข้างนอกก็มีผิวหนังดูข้างในเ ป, ป็นยังไงพลิกไปพลิกมาด้วยปัญญาแล้วกระดูกเนื้อเอ็นไปก็ทั้งถึงอวัยวะส่วนต่างๆพิจารณา ท่านกลับไปกลับมาให้มีความชำนิชำนาในการพิจารณาให้คล่องตัวไปเรื่อยๆแล้วเรื่องอสุภรสุปังนี้ก็จะลวดเร็วขึ้นลวดเร็วขึ้นถ้าพูดถึงอสุภรความไม่สวยไม่งามมันหมดทั้งตัวเอาความสวยงามมาจากไหนเวลามันรู้หรือมันชัดอย่างนั้นนะหมดทั้งตัวมีแต่กองอสุภรสุปังมีแต่ส้วมแต่ฐานแล้วมันเสกสรรปั้นยวว่าสวยงามมาจากไหนนี่ถึงขั้นปัญญามันคลี่คลายนะ มันจะเห็นไปหมดแล้วดูใครก็ถามไม่ว่าหญิงว่าชายว่าเฉยๆมันก็หนังเอหอก็ดูกองอสชุพะสุพังเมื่อนั้นกันหมดนะั่นแหะนี่ที่มันเหมาไปเลยมองดูเราจะเอาพิจารณาภายนอกก็ได้อสชุพะข้างนอกคนอื่นก็ได้พิจารณาเราก็ได้แล้วแต่ความถนัดเอาให้กระจ่างแจ้งไปโดยลำดับแล้วคล้องตัวเลยนะอสชุพะสุพัง เวลาพิจารณาไปมันจะคล่องตัวรวดเร็วขึ้นมองดูอะไรอะไรนี้มันจะเห็นอย่างรวดเร็วรวดเร็วคำว่าสุภาดูหนังก็ดูเนื้อนี้มันแดงโลดไปเลยดูก็ดูกระจกกระจ่างขึ้นมาดูอะไรมันชัดเจนชัดเจนนี่เรียวกว่าปัญญาคล่องแคล่วอันนี้ครัเวลามันทำนี้จํำนานพอแล้วทีนี้มันเห็นอะไรมันเป็นอย่างนี้หมดนะไม่ว่าเห็นหญิงเห็นชาย ที่ไ ห, ไหนไหนมองดูปั๊บนี่มันเป็นแบบเดียวกับเราที่เคยพิจารณาแล้วนี่มีแต่หนังหองก็ดูหรือพิจารณาแล้วถ้าว่ากระดูกมันก็เป็นกระดูกหมดเนี่ยแล้วถ้าว่านเนื้อก็แดงโลดเี่ยถ้าว่าหนังก็ข้างในก็แดงโลดข้างนอกก็เป็นผิวหลอกไงเพราะกําหนดนี่มันมันรวดเร็ ว, วกําหนดนให้พังเมื่อไหร่มันก็พังนี่ยหลคือปัญญารวดเร็วพิจารณา เป็นอะไรมันเป็นอย่างนั้นทันทีๆๆและกําหนดทําลายนี่ก็พางทันทีหมดเลยหมดเลยเราเดินไปเนี่ยสามเก้าสี่เก้านี่ยมันพิจารณาทางด้านปัญญามันทําลายอสุภาษณ์ฟังไปเลยถึงห้าเที่ยวฟังที่ไหนมันเร็วไหมเนี่ยเรื่องการพิจารณาอสุภาษณ์ฟังถึงขั้นปัญญารวดเดี่ยวค้องตัวแล้วนี่พางทีเดียวพอกำหนดปัาบนี่แตกกระจายเรื่องผองตั้งเงินผูก แต่ถึงตั้งธัมปุกกัตายชั่นทีอันทีเดินเพียงสามเก้าสี่เเราพิจารณาทําลายอรูปภาพสุฟังได้ถึงสี่เที่ยวห้าเที่ยวนี่มันเป็นเองนะเวลามันนั่นแหละที่นี่เอาให้แหลกนะพิจารณาอรุภาพเอาพิจารณาให้ดีให้มันมีความคล่องตัวมองหนูข้างนอกก็มันคล่องตัวเรื่องความสุภาพความสวยางามมันไม่มีเลยแหะถึงปัญญาขั้นนี้แล้ว มันมีแต่หมู่แต่คู่เต็มเนื้อเต็มตัวทั้งเขาทั้งเรานี่ตอนนี้ะ่ะราคาจะสงบเต็มที่นะจะไม่มีราคาปรากฏว่าเหมือนหนึ่งเป็นพระรหันน้น้อยนั่นแหละออไม่มีเรื่องราคากําหนดหรอกมันให้กําหนดมันก็ไม่กําหนดเพราะอันนั้นอะมาเป็นภูเขากั้นหน้าไว้อะคืออสุภาามีอาสุมีแต่อสุภาษนี่เจ้าอะไรมากําหนัดยินดีนั่นนี่แหละ เวลาสุภาพมันแก่กล้าแล้วมันจะไม่เห็นความสวยความงามเรื่องหญิงเรื่องชายไม่ไม่มีความสวยเมื่อให้ตั้งแต่อสุภาพสุภาพเต็มตัวเต็มตัวนะนี่ราคาจะสงบตอนนี้สงบมากเขามากเข้ามากเข า, า, ขานะโดยลําดับเอาที่เรื่องสุภาพสุภาพก็ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถอนยิเลสโดยตรงนะเป็นเครื่องฝึกซ้อมที่จะก้าวเข้าไปหาการตัดราคาต่างหากนะราคาจริงๆไม่ได้อยู่ในนั้นนะ นึ่เวลาพิจารณาจริงเอาเวลามันชำนาญแล้วจับให้ดีนะคำนี้นะเออเวลามันชำนานแล้วนะนะเอ า, เ า, น า, นเอาตั้งกําหนดอสุพะเช่นเราเนี่ยนั่งเนี่ยเป็นหนังห่อ ก, ก็ดูหรือเอานังออกหมดให้เหลือแต่ เ, เนื้อแดงโลหรือให้เหลือตั้งแต่กองก็ดูแล้วแต่เราจะพิจารณาแบบไหนคําว่าอาซุพะมันก็เข้าใจกันเอาเอามาตั้งไว้ตรงหน้าเอาไม่ทําลายนี่เราเรียกทดสอบกันฝึกซ้อมกัน เราพิจารณาทำลายเมื่อไหรเร็วที่สุดแหละไอ้เรื่องอาุภพานี่เมื่อสติปัญญาคล่องตัวแล้วพิจารณาเมื่อไหรพังเมื่อไหร่นี่ขาดจะบ้านไปทันทีไม่ยากเลยเพราะความคล่องที่นี้ไม่ทำลายเอาเนี่เราจะทดสอบเอาหลักความจริงว่าราคาเนี่มันเกิดจากไหนเอราคาจะสิ้นไปเมื่อไร่เอาตรงนี้แหละตรงนี้ตรนหัวเลี้ยวหัวต่อนั้นเนี่ยที่นี้เวลามันชํชนชนานี้ชํานาญในการพิจารณาอาชูพานสวรรค์แล้วกำหนดไว้ข้างหน้าที่นี่นะ กำหนดเรื่องผู้หญิงอสุภะก็ตามกำหนดอสชุพผู้ชายเป็นอสชุพะก็ตามแต่ส่วนมากมันจะเอาตัวเองนั่นแหละออกเป็นอสุภะอสชุพะไหนก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะตัวนี้เป็นผู้หไว้หมายนี่นะตั้งไว้เอา้าที่ไม่ทําลายให้ตั้งเป็นสมมุติว่ากองก็ดูกให้มันเป็นอยูง่งานเอา้ามันจะเป็นไปไหนเราไม่ตกไม่แต่งคือไม่ไปทไําลายไม่ไปโยกย้ายมันด้วยเจตนานนะให้ตั้งไว้เอา้ามันจะเป็นอย่างไงให้ ที่นี่เพ่งดูแพ่งดูอสุภะอันนี้แะอันที่เราเคยพิจารณาชำนี้ชำนานให้แตกให้ดับเมื่อไรได้ตามต้องการที่นี่ไม่ทำลายเอาตั้งไว้ตรงหน้าแล้วเพ่งดูนี่แหละตอนถูกท้ายของอสุภะเราจะได้เห็นท่าเจนตั้งตรงนี้เอาเอาเราไม่มีเจตนานะตั้งไว้ในปัจจุบันไม่มีเจตนาทำลายไม่มีเจตนาที่จะดึงเข้ามาที่จะใส่ออกไป ทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังให้มันอยู่อย่างนั้นก่อนเราจะไปตกแต่งนะ น, นี่จุดสําคัญอยู่ตรงนี้นะตกแต่งเป็นความผิดนะให้มันเป็นในหลักธรรมชาติเองเอาเอาตั้งไว้ตรงนั้นแหละเมื่อตั้งไว้เอามันไม่ทําลายเอาอยู่อย่างนั้นมันอยู่อย่างนั้นอยู่จนถึงการควรเมื่อมันยังไม่เคลื่อนไหวไปไหนแล้วเอาทําลายจะก่อนพิจารณาอีกพิจารณาอีกนะแล้วพอสมควรแล้วเอามาตั้งอีก นี่แหละที่จะฝึกซ้อมหาต้นต่อของราคาตันหามันจะเกิดอนี้อันนี้ผมพูดยากนะถ้าพวกหมู่เพื่อนจับให้มันเป็นเองผมเขานั้นถพิ่งเปิดประตูให้ให้เข้าเองนี่แหละประตูที่จะสังหารราคาตันหาตรงนี้เองเอาตั้งไว้ตรงนั้นตั้งไว้เราเราไม่ต้องไปไ ป, ไปดึงเข้ามาไม่ต้องไปใส่ออกไปข้างนอกไม่ต้องให้เอียงหน้าเอียงหลังคือตั้งไว้อย่งางนั้นเป็นหลักธรรมชาติฟังได้ว่าหลักธรรมชาตินะ ให้มันเป็นอวยหลักธรรมชาติของมันแล้วให้เพ่งดูอ้าวอ้ามันจะเคลื่อนย้ายไปไหนอสุพัฒอันนี้นะ่ะเราพิจารณามากพอแล้วแต่กำไรก็พอที่นี่ไม่ทํำได้แล้วจะดูมันเอาตั้งไว้นั่นล่ะเอาตั้งไว้นั่นล่ะมันจะเป็นยังไงให้มันเป็นเองให้เห็นประจักษ์โดยไม่ต้องถามใครน่ะเนี่ยเป็นสันติโกจะบอกตัวเองอืมถ้าว่ามันยังไม่เคลื่อนย้ายไปนให้อยู่มันก็อยู่แสดงว่ายังไม่พออสตุพัฒน์ การพริจารณาสุภาพิตของเรายังไม่พอฝึกซ้อมใหม่เอาที่นี่ทําลายเสียจะทําลายก็ทําลายแล้วพิจารณาต่อไปอีก่อย่างนั้นนะ่ะตั้งขึ้นแล้วทำลายอย่างนั้นแล้วเอามาตั้งอีกทดสอบกันอีกเมื่อมันพอแล้วไม่บอกแล้วนะอันนี้ผมจะไม่บอกแหละให้ตั้งไว้แล้วอันที่ตั้งอะไรมันจะมาสอนเราเองเรื่องราคาตัญหามันจะบอกในตัวเองเห็นโทษของตัวเอง ที่ไปหมายมันปันมือองอันไหนไหนมันจะรู้ขึ้นในปัจจุบันโดยไม่ต้องถามใครนี่แหละหลักถอนราคาไม่ใช่ว่าถอนด้วยสุภ้านั่นสุด้านี้ตั้งหากอันนั้นอะไรนะมันถอนด้วยนี่แหละตรงนี้เอานี้มาตั้งจุดจุดท้ายมันจะอยู่จุดนี้แหละแล้วกําหนดให้ดีอ้ามันจะมันจะออกจะเข้านะให้ให้มันเป็นเองของมันนี่แหละตอนสาคัญนี่ผมบอกตรงเพียงจุดเดียวนี่นะให้เอาอย่างนี้มาพิจารณา มันจะเข้าสู่หัวใจของเรานี่แหละเป็นผู้ตัดสินมันเรื่องราคาอ๋ออย่างนี้เนี่ยโอราคาเป็นอย่างนี้เองเอ อ, อันนั้นเป็นนั่นนี่ว่า น, นี่เราหลงเราเนี่ยลืมเรานี่นี่จับตัวจริงแล้วเฮียที่นี้นี่ละทีนี้พอผ่านแล้วเราเราพูดเอาตอนผ่านเลยตอนที่ปฏิบัติหน้าที่เรื่องราคากับอสุพานี่พูดเพียงแค่นี้ก่อน ไม่พูดให้มากไปกว่านี้ให้ผู้เปรียบปฏิบัติกำหนดเอานี้เองนะที่นี้เราจะพูดเรื่องทางผ่านต่อไปนั้นทีนี้พอมันหมดจังหวะอาุภานี่หมดจังหวะแล้วให้เราตั้งอันนี้แหละตั้งอาุภานี่ขึ้นมาที่เราเคยได้เห็นได้ผลประจักษ์หัวใจแล้วตั้งข้อนี้ฝึกซ้อมเอาฝึกซ้อมเอาอันนี้แหละเป็นหินรับปัญญาเลยเลื่อยฝึกซ้อมเลื่อยมันจะเอียดเข้าไปและอยดเข้าไปนะ ตั้งขึ้นแล้วกําหนดนี้กําหนดนี้ปัาบเข้าปุ๊บกำหนดปัาบเข้าปู้๊บก็ปุ๊บต่อไปก็ค่อยเร็วเข้าเร็วเข้าสุดท้ายหมดนั่นนี่แหละ เ, เรียกว่าฝึกซ้อมเนี่ยจิตปัญญาจากนี้ไปแล้วจะเป็นติปัญญาอัตโนมัติส่วนจิตปัญญาอพิจารณาทางอสุภาษุภังนี้ยังไม่เป็นอัตโนมัตินะ่นนี่ยมันเป็นมันเป็นชุนละมุน เปนชนมุนมุ่นว่าจะจะเรียกว่าอัตโนมัติยังไม่ได้นะพอผ่านอันนี้ไปแล้วท่นี้มันเอาศส่อันนี้แหละเป็นเครื่องฝึกซ้อมแล้วจะเป็นอัตโนมัติหมุนเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ละถ้าอนาคามีที่ท่านถึงจุดนี้แล้วท่านที่ว่าไม่กลับมาเกิดอีกจะเกิดได้ยังไงก็มันรู้ะชะนันก็มีแต่ฝึกซ้อมให้มันเลื่อนขึ้นละเอียดเข้าไปเรื่ลย น, นี้ละอวิหารตะปาสุาสาษิคือการฝึกซ้อมจิตอันนี้เอง มันจะเอียดเขาไปอยากเขไปควรขั้นไหนขั้นไหนมันจะรู้เข้ามาเองเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงสุดท้ายของมันถึงเรื่องอันนี้หมดเรื่องวิธีฝึกซ้อมอะไรมันหมดมันจะนี่ก็จะบอกอยู่เหมือนกันจนทั่งอวิชชาถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็ลงในอวิชชาขาดสวัรคไปแล้วนีิจ้าไปหมดเลยนี่ถึงขั้นไหนล่ะที่นี่เออ นี่ละเรื่องวิธีปฏิบัติให้สั้นสลายจำมนาะผมพูดมาตามลําดับลาดาแห่งภาคปฏิบัติที่ตัวเองได้ปฏิบัติมาแล้วหายสงสัยเป็นลําดับลำดาเป็นแบบฉบับแต่การสอนปื่นได้โดยไม่สงสัยเลยเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนี้เป็นผลประจักษ์กับเรามาโดยลําดับนะหายสงสัยไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงกล้าที่จะนํามาถ่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความแน่ใจไม่สงสัยนี่เรื่องอาถรรพ์สาคัญมากนะ ขอให้ท่านตั้งหลายใช้เรื่องอสุภะสุปังให้มากการมาลาคานี่อยู่จุดนี้นะต้องใช้อันนี้ให้มากการมาลาคานี่จะค่อยลดลงลดลงพอลืมหูลืมตาได้ถึงว่ายังไม่ขาดก็ลืมหูลืมตาได้จนกระทั่งถึงจุดมันขาดมันก็ดูเองอืให้เอาอันนี้หนักจากนั้นไปก็ก้าเข้าสู่สติปัญญาสัมมัติจากสติปัญญาสัมมัติแล้วมหาสติปัญญาเชื่อมโยงถึงการอันนี้ไหลไปเลย นี่แหละการภาคปฏิบัตินี่แหละมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทำที่วินัยผู้เจ้าสอนนี่ที่พูดนี่เป็นธรรมล้วนๆนี่แหละอยู่ที่ทำนี่แหละศาสดาองค์เอกอยู่ที่นี่ละจะไม่นีนะอยู่ที่วิธีปฏิบัติอย่างนี้ให้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี่แหละศาสดาองค์เอกคือธรรมล่ะที่นี่องค์เอกอยู่ที่นี่อะไรขาดไปขาดไปศาสดาองค์เอกจะบอกขึ้นมาบอกขึ้นมาเรื่อยมีนายเป็นล้วกันล้วกัน อการตลาองค์เอกนี่เป็นธรรมฝึกซ้อมนี่ให้ดีให้ดีดจิตกระจ่างออกมากระจ่างมาส่ว น, นวินัยเรารักษาด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วนั่นเันเรื่องวิเนียไม่ได้ไปใช้อสุภะอสุผังอะไรละวินียร์เป็นวินียห้ามไม่เกินที่ข้าบุตข้อนั้นข้อนี้ไม่ให้ล่วงเกินแล้วก็รู้กันแล้วเราไม่ล่วงในเรื่องธรรมแล้วแย่ยกว่านั้นพิจารณาเรื่องธรรมให้มันเอกขาดจะบ้านออกไปจากใจของเรานะเมื่อจิตมัน ถึงขั้นนี้แล้วมันจะเบิกกว้างแล้วก็หมุนตัวขึ้นเรื่อยๆยืดที่ขาดจากอสุภะอสุฟังในฐานเบื้องต้นนี่เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นชัม้มหลหมูนขึ้นเรื่อยให้ลงไม่มีเพราะฉะนั้นพระนาคามีท่านจึงไม่กลับมาเลยมันบอกชัดๆอยู่ในหัวใจมีแต่หมุนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งที่สุดฟาดในอวิชาขาดตะบ้านหลังไปนี่โลกต้าไปเลย นี่แหละภาคปฏิบัติท่านทั้งหลายอย่าไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนนะให้จําให้ดีอทำระวินัยที่เราปฏิบัติอยู่นี้แหละคือศาสตราองค์เอกคอยชี้แนะทางเราอยู่เสมออย่าให้ห่างจากนี้นะ เ, เ, เรื่องธรรมของเราที่ไม่ชำนิชำนาญตรงไห น, นเอาให้ดียังเช่นอย่างพิจารณาฝึกซ้อมอสุภาสุาพรงณเพราะกิเลสตันหากามกิเลสนี่หนักหน่วงมากทีเดียวนะ่ะไม่ไม่มีอะไรที่จะกดจะถ่วงมากยิ่งกว่ากาม การมรรคิเลส ร, ราคาตัญหาน่ะกดท่วมากต่อ ม, มากด้วยนะสามทั้งหลายนี่ติด ก, กันงอมไปเลยไม่มีวันฟื้นคือตัวนี้เนี่ยมันกดมันท่วเพลินด้วยความทุกข์ก็เต็มอยู่ในอนเนีย่ยทีนี้เวลาพิจารณานี้เบาเข้าเบ า, าเข้าเรื่องความทุกข์ความกดท่วองนี้ค่อยเบาไปฟาดการมคิเลศขาดกระบ้ันอกไปแล้วความกดท่วไม่มีมีจะดีดขึ้นข้างหน้าเลยดีดสูงขึ้นไปเรื่อย ที่ว่าไม่กลับมาเกิดอีกก็คือกิเลสตัวนี้เองพาให้เกิดให้ตายกดท่วงให้เกิดพบนั้นพมนี้คือการมรรกิเลสพอตัวนี้ขาดตะบ้านไปจากใจแล้วอีตนี้เหมือนทำริขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งฟาดเอวิ ช, ชาขาดตะบานนั่นแหละจอมแห่งใจพบอยู่ที่นั่นขาดตะบ้านแล้วไม่ต้องถามใครพูดแล้วสาธุทันทีเลยพระพุทธเจ้าปัจจุบันขณาเขไม่ชูนถามทำอันเดียวกันอย่างเดียวกันท่านสอนเพื่อให้รู้อย่างนี้ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะไปสงสัยที่ไหนสารติสิโกรประกาศป้างขึ้นมาแล้วเป็นพระโอวาทอันเด็ดขาดของพระเจ้าเสียด้วยนั่นแหละท่านจึงไม่มีถามกันภาษาวอกองคไหนไม่เคยไปทูลถามพระเจ้าเมื่อบรรลุธรรมถึงที่สุดนี่แล้วเป็นสารติโกเต็มภูมิเต็มภูมินี่ให้ตั้งใจปฏิบัติน เวลานี้ผู้ดีจทรงมรรคทรงผลมันน้อยลงก็เพราะผู้ปฏิบัติสนใจปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเพื่อความพ้นทุกข์นี่น้อยลงไปลําดับลําดานนะต่อไปจนจะไม่มีนะมันจะหมดไปหมดไปคาว่าศาสนาคือคําสอนของเจ้าคงเส้นคงวาหนาแนนในคัมภีร์ก็เต็มไปหมดมันก็เป็นเหมือนแบบแปนแผนผังนั่นเองเราไม่หยิบยกออกมากลางมาปฏิบัติปฏิบัติตาม ทำที่เราสอนที่ท่านสอนไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความจําวำเฉยผู้ผู้ใดเรียนก็จําได้ผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่เรียนจําได้ทั้งนั้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมเรียนอะไรจําได้ทั้งนั้นแต่มันมีแต่ความจํามันไม่มีความจริงเพราะไม่ปฏิบัติถ้ามีการปฏิบัติแล้วความจริงจะลูกขึ้นมาเห็นขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เหมือนเขาผูกบ้านผูกเรือนเอาเอาแปนมากลางแล้วเอาจะทํายังไงเราจะเอาตึกหลังไหนขนาดไหนดูแปนปั๊บนี่ นี่เอาท่นเนี่ยขุดดินขุดอะไรขึ้นไปเลยเอาแบบไหนแบบไหนวางรากวางฐานตามแปนมันก็ค่อยปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นรูปร่างขึ้นมาจนเป็นบ้านเป็นเรือนสมบูรณ์แบบตามแปนนั่นแหละเพรแปนถูกต้องแล้วนี่แปนของผู้นี้เจ้าเป็นสว่วนค า, ารธรรมตราดไว้ชอบแล้วยิ่งกว่าความมีกิเลส ข, ของเขาเขาก็รับรองของเขาอยู่แล้วตามสมมุรณนิยมทางวิมุติธรรมนี่ก็สอนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงนิพพาน ภูต้องเป็นสวัสดิธรรมตลอดนะพากันตั้งออกตั้ง ใ, ใจปฏิบัตินะผมยิ่งห่วงยิ่งใหญ่หมู่เพื่อนมากจะเป็นจะตายเท่าไหร่ธาตุขันมันอยู่อย่างนี้แหละดูเอานะเวลาอยู่กับโลกกับปฏิบัติไปตามโลกตามสงสารสําหรับจิตนี้ผ่านไปหมดแล้วพูดให้ฟังให้ชัดอย่างนี้นะเนีย่ยว่าบาปว่าบุญอาบัตข้อนั้นขอนี้อย่างนี้เป็นสมมุติทั้งมวลจิตนั้นเลยหมดแล้วถ้าจะปฏิบัติ ตามจิตนั้นก็ต้องหมายถึงว่าธาตุขันต์ต้องผ่านไปหมดแล้วแต่เมื่อมีธาตุขันต์อยู่นี้โลกเขาเรียกว่ามีสมมูิอยู่เต็มตัวของเราเรามีสมมุติเต็มตัวของเราการปฏิบัติหลักก็มีในก็ต้องปฏิบัติให้เต็มตัวของเราที่มีสมมูิท่านห้ามพอไหนก็นไหนอย่าไปข้ามไปเกินเสริมท่านด้วยความยอมรับความจริงความจริงท่านมาผิดถูกประการใด เราก็ปฏิบัติตามนานเพราะงั้นพระหรหันท่านถึงไม่เคยเล่าข้ามเกินพระธรรมมีในนะท่านปฏิบัติด้วยความสวยงามเวลามีท่านเมีขันอยู่ถ้าเป็นหลกธรรมชาติแล้วท่านจะเป็นโทษเป็นกรรมที่ไหน ท, ท่านจิตของท่านแต่กิริยานี้มันขัดกันอยู่จิตที่บริสุทธิ์แล้วมาครองขันแล้วจะพาขันไปทําสี่ห้านี้อันนั้นไม่ลงนะเพราะยังยับยั้งิดชอบี้ยวข้อขันบิดชอบต้องทำํำ บ, บิดเบี้ยวต้องทําให้ถูกต้อง ตามหลักธรรมหลักวินยัยนั่นการปฏิบัติรักษาศีกบุวินัยน้อยใหญ่ท่านจะเป็นเหมือนพวกเราเราท่านเพราะธาตุขันธ์มีโดยสมบูรณ์การปฏิบัติรักษาให้เป็นความสวยงามตามโลกสมบูรณ์ในเวลามีธาตุขันธ์อยู่ก็ต้องปฏิบัติให้สวยงามสมบูรณท่านจึงไม่มีองค์ใดที่แบบนั่นนี่เป็นข่านหนึ่งนะแต่ส่วนจิตนั้นไม่ต้องพูดแล้วหมดปัญหาเรื่องที่ขาดสะ บ, บั้นลงไปหมดบาบุญที่ไหนไม่มีเลยแล้วเลยไปหมดแล้ว ฐานนี้เป็นเรื่องของสมมุิก็จิตของเรามันยังคลองขันอยู่นี่แล้วก็เรียกว่าเรายังอยู่ในวงสมมุิอยู่ต้องปฏิบัติรักษาสมมุนให้สวยงามตามหน้าที่ตามแบบฉบับของพระเหล่าจิตมาทำ น, น, นิจเตียนจิตเป็นอย่างหนึ่งร่างกายเป็นอย่างหนึ่งเหมือนหลิงเมืองข้างเหมือ น, นกัตว์นรกอย่างนั้นไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้ครับจิต ท, ที่บริสุทธิ์จิต ท, ที่บริสุทธิ์รักษ า, ส, าสิ่งที่จิตบริสุทธิ์ซึ่งยังคลองกันอยู่นั้นให้สวยงามไ ป, ไปเสมอกันไปนั่น นี่แหละเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะลองอันา น, านั้นดูทีหากจะมีจิตที่ที่ว่าบริสุทธิ์บริสุทหากจะมีเครื่องค้านกันอยู่ในนั้นให้รู้จนได้นั่นแหละนั่นแสดงว่าไม่เหมาะนั่นทํำยังไงเหมาะปฏิบัติตามสคารธรรมรักษาให้ดีพรัฒนัยให้ดีไม่ว่าขั้นใดภูมิใดของจิตของใจถึงขั้นอราหานหากลักษณะให้ดีด้วยเหมือนกันหมดเพราะคารวะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบหมดหมดแล้ว ถ้าก็ควรจะทําลายอะไรอะไรผู้เจ้าจะบอกไว้ก่อนแล้วะ เ, เธอเป็นมาลาหันแล้วจะทําอะไรก็ทําได้นะไม่เคยมีพระพุทธเจ้าองค์ใดท่านใครจะรู้ความสวยงามยิ่งความเหมาะสมยิ่งกว่าศาสดา ก, ก็เราเป็นสาวรองท่านมาเป็นกันมาแล้วเป็นลิงเป็นข้างไปในร่างทั้งหลายความเคลื่อนไหวใช้ไม่ได้นะ่ะจิตว่าบนสุดใครจะไปเชื่อนะ่ มันเป็นอย่างนั้นนะคือจิตบริสุทธิกับธรรมชาติเหล่านี้ความกลงกลืนกันนี่ด้วยความสวยงามระหว่างจิตวิมุตติกับขันที่มีอยู่นี้ปฏิบัติกันด้วยความถูกต้องดีงามนี่ถูกต้องนี่แหละเป็นอย่างนั้นนะขอให้พรกันตั้งออกตั้งใจปฏิบนะัติไงเอาให้ได้ทรงมรรคทรงผลเพราะทำมาวิญญาณนี่เป็นอาการิโกอาการิโกศาสตาให้ติดแน่กับาติตเรานี่ล่ะเราพูดที่จะทรงมรรคทรงผลคือผู้มีศาสตาติดแน่ พระธรรมแพระวินยัยจากนั้นมีสติชาติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเอานู่นั่นเข้ากลมกลึืกันอยู่ในจัตสดาพระธรรมพระวินัยนี่แหละผู้นี้แหละเป็นผู้ที่จะตักตัวองมรรคผลนิพพานไอ้คนที่มันพูดว่าแม่มันไม่ได้ทำมันก็เหมือนหมาเห่าฐานนั่นแหละมันก็กินอะไรอยู่ในฐานมันก็เห่าฐานไปอย่างนั้นจินก็กิกนฐานนั่นแหละเห่าก็เห่าฐานเนี่ยพวกพวกสกรปรกไปอย่างนั้น แล้วท่านผู้ไม่จินฐานไปยังไงมันก็รู้เองนี่ใครจะว่าอะไรช่างเหรอสกิเลสมันเอาข อ, ของดีมาพูดเลยมันต้องมีแต่การคัดค้านต้านทานการลบล้างผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ของดีของดีมาจากการปฏิบัติดีของตัวเองพูดออกมานี่ไม่ได้นะกิเลสตัวนรกตกเปรตนี่มันจะคัดจะค้านหาว่าโอ้ว่าอวดว่าอย่างนั้นนี่ไปหมดนี่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นโจมตีทำตัวมันสร้างความชั่วช้าระมุก อยู่มาตั้งกี่กับเยอะการทำแตดให้ตกนะโลกหมกว่านี่คือตัวไหนไม่ใช่ตัวกิเลสมันหยาบรวมขนาดไหนมันโหดร้ายขนาดไหนไม่เห็นในตำหนิมันแต่ธรรมนี้เป็นเครื่องลื้อขนสั้างโลกให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นน้ำดับได้โตมาทั่งถึงนิพพานมันเสียหายที่ตรงไหนกิเลสจึงมาหาว่าว่ า, วาให้จาํามรรคํานี้นะ เรื่องความโสโครกไม่อยู่ทุกหย่างยางเวลานี้กิเลสมันยิ่งหนาแ น, น่นกิริยาที่แสดงมาคัดข้านตานทานธรรมและวลบลา้างธรรมมัยิ่งหนาแน่นขึ้นหนาหนานอย่าไปสนใจกับมันพวกส่วมพวกฐานชาติราองค์เอกอยู่กับเราพอแล้วนั่นชาติราองคเอกตาหางที่นำสัตว์ให้พ้นจากทุกพวกส่วมพวกฐานคือกิเลสไม่นำใครให้พ้นจากทุกมีจะพาให้จบเมื่อไรทุกจับให้ดีคำนี้หนาะใคาจะว่าอะไรก็ตามอย่าไปสนใจนะโรคนี้เป็นโรคโสโปรกสมองสุดยอดแล้ว เพราะแลพ อ, พอพูดอย่างนี้มันอดชิตไม่ได้นะมันเป็นอยู่ในจิตนี่คือมันจ้าอยู่งั้นทั้งคืนทั้งวันเวลาไหนมันไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะนี่จริงว่ามันหายสงสัยพอทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเข้ามากวนใจเลยตั้งแต่ขนาดที่กิเลสวิชาขาดสบั้นลงไปจากใจว่างไปหมดเลยสว่างจ้าไปหมดเป็นแต่เพียงว่าจะนามาพูดได้ เท่าที่โลกสมมูิทั้งหลายยอมรับได้เชื่อได้ขนาดไหนนําออกม า, มาสแสดงตามนั้นถนัดเวลาจะของปฏิบัติแล้วรู้มันก็จะรู้เองควรไม่ควรขนาดไหนไม่แต่รู้ด้วยกันทุกคนนั่นแหละผู้ท่านรู้ไปแล้วท่านก็นําออกมาสั่งสอนสั่นโลกเท่าที่สั่นโลกแต่พอยึดได้ทำขั้นใดขั้นไหนก็สอนอย่างที่ที่พูดนี้แล้วผมช่วยโลกมาได้ห้าปีนี้ ก็แกงม้อใหญ่แกงม้อใหญ่ก็ฟังทีมันพอเหมาะพอดีกับแกงม้อใหญ่นี่เท่านให้เลยของนี้ไม่ได้นอกจากมีผู้ปฏิบตัติเพื่ออาจเพื่อทำสูงกว่านี้นไปแกงม้อเล็กจะเริ่มออกรับกันทันทีทีถ้าผู้ที่ควรจะไปได้นั้นแกงม้อจิวผึ่งออกมาเลยนี่อย่างนั้นแหละมีเยอะในหัวใจแต่ที่จะออกมาให้เป็นประโยชน์แก่โลกต้องคํานึงถึงโลกว่ามีกําลังวังชาขนาดไหนพอที่จะเอาได้เนี่แะ นี่ให้มีกฎมีเกนหน้าพระเราให้ระมัดระวังรักษาตนเองอย่าให้มีการกระทบกระเทือนกันเป็นอังขาดนะกิเลสตัวกระทบกระเทือนตัวโกรธ ต, ตัวเครียดแช่หรือทะละเบะแว้งกันนี่หยาบโลนที่สุดอย่าให้มีในวัดเราซึ่งเป็นวัดปฏิบัติจะกําจัดหรือฆ่ากิเลสตัวหยาบช้าระมกนี่ให้ขาดจากในใจอย่ามาสั่งสมมันด้วยความยินดีให้เกิดความทะละเบะแว้งกันนี่ฟังมาได้เลยนะอันนี้เร็วมากทีเดียว พอมันแยบกไปจากชิดไม่ดีกับผู้ใดนี่แหละความคิดอันนี้แหละมันเกิดขึ้นจากเราแล้วมันเป็นภัยต่อเราแล้วจะไปไปเผาคนอื่นดีให้รูมันทันทีดับมันทันทีนั่นอย่างนั้นจะเนี่ยผู้ผู้ปฏิบัติธรรมรูข้าสึกที่มันเกิดขึ้นจากใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจอะไรมันคิดขึ้นมางุ่นิ่งขึ้นมากับบุคคลผู้ใดพระองค์ไหนก็ตามพองุ่นิ่ขึ้นมานี้กิเลสตัวนี้ออกแล้วนะนียู่นะถ้าปล่อยมันจะไอใหญ่นั่นตีหัวมันลงทันทีตีหัวมันลงทันที แล้วจะไม่มีเรื่องอะไรแล้วนี่ไม่ดีฟ้วนขาดจากบ้านไปจากใจไม่มีอะไรมางูดหงิดท่านผู้สิ้นจิเลสแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่มีท่านจะบอกว่าสิ้นจิเลสถ้าลมมันยังมีอยู่จะเรียกว่าสิ้นได้ยังไงเสียงนี่จะแผดเผาเหมือนฟ้าดินถล่มก็ตามก็มีแต่พลังของอักของธรมรมที่ออกตามน้ำหนักของธรรมควรจะออกขนาดไหนเท่านั้นเองไอ้เรื่องจิตเลสที่จะมาแทรกว่ามีความวาโมโหโทโอย่างนี้ถ้ามันยังมีอยู่นั้นจะเรียกว่าสิน้นอย่างจิเลสได้ยังไงอันไม่มี มันี่จะพลังของทำพุ่งพุ่งพุ่งหนักเท่าไรพลังของทำออกหนักเท่าไหร่นี้กระเทือนถึงร่างกายเสียงแผดเสียงเผาย่างผมอย่างทั่วันนี้มันเป็นเรื่องโรคหัวใจถ้ารุนแรงคือทํามันออกแรงมันกระเทือนเวลาทําพึงออกมานี้มันกําลังมันจะแรงลมก็แรงอะไรก็แรงสะท้อนเข้ามาสู่ใจเหนื่อยนั่นนั่นระวางทัวนี้เพราะขันนี้เป็นเครื่องมือของใจ มั่วขันไปยังไงแล้วก็ต้องได้ดูแลคํานึงอยู่เสมอเไอ้เรื่องเทวกิเลตตัวไหนมันจะมาแสดงนั้นเรียกว่าไม่มีจะหาตัวให้มีมันก็ไม่มีก็เรียกว่ามันสิ้นจะว่าไงแล้วท่านก็ไม่สงสัยสงสัยอะไรขาดตะบ้นลงไปในขณะนั้นแล้วเหมือนฟ้าดินถลกอวิชชาขาดตะบ้านลงไปเผาศพมันเรียบร้อยแล้วด้วยกุศลธรร ม, มาความฉลาดแหลมคมของสติปัญญาแล้วตัวไหนมันจะมา ถ้าทายอีกได้หละกิเลสหมดนั่นแหะทั้งหมดทั้งหมดอย่างนั้นนะไม่ใช่แบบหมดแสกเ ส, สกสันเอาอยิ่เฉยให้มันหมดไปจากใจมันของสารทิชโกจะประกาศขึ้นด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจทําหน้าที่การงานของพระโดยสมุนวันนี้ผมได้พยายามที่สุดแล้วเรื่องหน้าที่การงานอะไรที่ไม่จําเป็นไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องรบ ก, กวนพานะผมทําหน้าที่ของโลกช่วยโลกผมก็ช่วยไป นอกจากมันเป็นความจําเป็นก็ขอร้องจากพระไปช่วยช่วยเป็นการบริเวลาผมรักสงวนพระมากนะที่ ด, ดูที่บริเวณนี้ใครเข้าไปได้มา่อไรให้อยู่ในบริเวณสลาบริเวณข้างในเป็นสถานที่บําเพ็ญของพระไม่ให้าไปกวนนอกจากคนที่รับใช้พระไปมานั้นจะเป็นหนะีกว่าเพ่นส่วนคนภายนอกที่จะไปจุนจ้านอย่างนั้นไม่ไดนะ้ผมเอาอย่างหนักเลยนะดุเลยเดจ้าเขียนไปแล้วเห็นไหมนั่นน่ะ เขียนไม่เพื่อใครอ่านละ่ะนั่นนี่แหละเป็นอย่างนั้นเรารักสองวนหมู่เพื่อนผมจะทํางานการเพื่อโรคเพืงสารก็เพื่อโรคเพืองสารจริงเรื่องอัตลักษณ์ธรรมนี้ต้องคงเส้นคงวาหน า, นานแน่นอยู่กับพระกับเนนนะไม่ยอมให้ลดหย่อนก่อนผ่านให้อ่อนแอเพื่อที่เดียจะเข้าเหยียบหัวใจได้นะได้พยายามเต็ม ก, ากําลังความสามารถขอให้พากันตั้งอกตั้งใจด้วยขันทุกองทุกหนี่พระก็มีจํานวนมากจํานวนมากอาทุกวัน โอ้ oh, เรื่องใจนี่อัศจรรย์จนกระทั่งถึงผู้ทีเจ้าทอพระไตรมาสเมันเกินเป็นขึ้นในหัวใจตรงไหนมันก็รู้เองฮะอย่างที่มู้เช่าเนี่ถึงอุทาหนามาดังกันว่าลนะมันเป็นเองนะใครจะไปวัดลอยผู้ทีเจ้าพพลังแห่งความผ่าผุนของปิต่สแสดงขึ้นมาแปลกประหลาดอัศจรรย์พุ่งขึ้นมาเลยมันก็ออกอมันได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นละ่ะอัศจรรย์กระดานไหนมันถึงเป็นได้อย่างนั้นละ่ะเนี่ย ให้ตั้งใจปฏิบัติทุกวงทุกอ ง, กองไม่ว่าชาติชั้นวันนัไหนให้ชื่อว่าคนให้ชื่อว่าสัตว์โลกเหมือนกันหมดไม่มีใครไปสําคัญมัตถุหมายว่าชาตินั้นวันนันนี้ชาตินั้นอันนี้อย่ามายุง่งกับมนุษย์เราสัพเพศสัตตานวะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่ตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นนั่นมีเจตนาบางงาังอาดบังทําด้วยกันเอาปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมเหมือนกันหมดลูกแม่เดียวยังทะเลาะกัน ถ้าที่มีความตั้งอกตั้งใจด้วยกันแล้วจะไม่มีการทะเลาะกันเลยนิ่มเหมือนอวัยวะเดียวกันนั่นนี่แหละอยู่ได้กันได้ถ้ามีธรรมอยู่ได้กันได้หมดถ้ามีกิเลสแล้วแตกได้นะมีน้อยมีหนาล้วดูถูกแย่งแย้มกันแล้วดูถูกไปหลายแบบแล้วเช่นบกิเลสพิสดารมากนะอย่าให้มันเอื้อมออกมาได้นะ้เอาธรรมตีหัวมันลงไปสิ่งพวกนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นอย่าให้มันมายุ่งกับวงปฏิบัติธรรมเพื่อสังหารกิเลสนะ เาละวันนี้พูดเพียงเท่ น, นี้อ่ะเห็นสมควคุณไปพูดมามันรู้สึกเ ห, หนือ่อยเนื่อยนาฬิกาได้เท่าไหร่ดูทีนะฮอะเท่นี่เลยก็ประมาณชั่วโมงเห<ฮ>อชั่วโมงแปนาเหรอครับเนี่ยไปได้ถึงแปดเที่ปชั่มันเล่กอก็นเหนื่อยอ่ะเนี่ยแล้วมีอะไรต่ออะไรบ้างอ่ะที่นี่ ยังไงก็เยอะนะคนม่แห้งถ้ามาจากขึ้นไงอะไรๆเข้มเลยปวดง้อเขาเฮ้ยพระมีเท่าไหร่ปีนี้ไงไงวัดแาวนี้จักรบรรจงมีเท่าไหร่เหรอทำไมจึงให้เกินไปมากมายกเนี้ยฮะงั้นพระมันงี่เงี่ยนะต้งเข้ามา มึงว่าขี้อยู่ขี้พักมันแอบอาการภาวญนาไม่สะดวกนะ ถ, ถ้าพระหงายแง่เข้ามาขีอภาวญาจะไม่เป็นเอกประเทศสะดวก ส, สบายไนงะผมจะงวนขี้ให้ภาวนาสะดวกมากตลอ ด, ดมาเนี่นะบริเวณผม ม, มันกว้างเงื้อสบายสบาย ออกนีเข้ากลางผมงานี่นอยู่สบายถ้างคนไม่เข้าไปกลัวผมจะหย่ิบเดี่ยวผมจะหยอกสบายเนงะี้ยนี้มันกลัวออกได้รูแบบดูนี่เป็นโยกกระเวยเงียบผมอยู่ในวัดเรียกว่าเป็นโนนยคกระเวยไม่วงังตลอดเขาออกมาที่ยิ่งแย่เนะียไม่ยากเลยวาวผมจึงหายลบหา ย, ายอยู่ฟ้าสบายภายในชาติญขันของเรา คือคองกันอยู่กับใจกับขาาขันคองกันนะพันธุบัติอย่างนี้พอเขาอยู่คำไปอย่างนั้นไงเอาเงยยุบกวยไปยังสะดวกสบายไปหาอะไรเงี้ยยุ่งมันไม่อยู่สบายอะไรอย่างนี้ตรงนี้ไงคือหมาย แล้วเมื่อะไรบ้างคือขัดข้อแอะไรม่อะไรบ้างออแล้วอ like ีกตัวหนงก็สะปรกเบื่อเยอะคือแค่เมืเช้านี้มันต้องมาอ่านนะเอาออกเลยไงเพราะมาอ่านคือไอ้ผมก็ไม่เคยแก้แม้แต่ขวดเดียวไม่เคยแก้อ่างตั้งไว้เลยก็ถือว่าได้ผ่านเอาแล้วผ่านแล้วแล้ววางก็ถือเชิงทำงานช่วงที่ผมจะแก้ตรงไหนไม่มีท้อเทิดกมาความแน่ใจแน่ใจอะไรมันจะผิดจะพลาดไปไหนวะ อนอกจากคำพูดคือมันใกล้เคียงกันมันอาจจับผิดัวได้นะคือมันผิดไปแล้มันมันใกล้เคียงกันแต่มันเชื่อมไปได้อยู่อันานี้ใถ้าแก่ก็แก่ตรงนั้นตรงนั้นเลยเพื่อนที่ใจมันตั้งงานกันจาบผิดจะไม่เหมือนเมื่อไงก็ทำมาจนมันก็ออกทั่วโลกเรื่องเงากว้างขวางเพรู้มีแต่ทำของผมอย่างเยอะมักเหรอ เพื่อประเทศทมันีไข่ออกแค่อย่างผมมีไหมาคนไหมหึยยังไม่มีอ่ะก็มีใจเอาอนนี้แค่ใจว่นกระจายออกหใจออกงงอยากให้คนมีจิตจภาวนาภาษาทุกแห่งนแค่นยังไปใหม่อีกงานหนึ่งหนึ่จะแจ้งมาใหญ่เรื้อนก็พูดไปอย่างนี้นะถ้ามีเงาภาวนามีอะไรกะาเขาแล้ว อันเนี้อมันจะออกครับมันจะเป็นโันหางอันหนึ่งขึ้นมาโดยไม่ขึ้นในข่ายไม่หับไปเอืงแล้วก็เนี่ยอไปเวีขอบเสร็ววัดเอาวัดใหม่เอากําแพงใหม่ครับเป็นบริเวณวัดนะบริเวีวัดเอาวัดใหม่ แต่การรับมือกับนี้เอาที่เดิมที่เคยปฏิบัติมาแล้วเสวักนี้อันเดิมส่วนเสวักที่จำพรรษานี้ถือเสวักใหม่นี้เข้ามาเลยเป็นเสวักจำพรรษาอาวส์เลยเวลาในพัญษานี้ไม่ค่อยมีการมีแงอะไรมากนักหรอกให้เรื่องความภาคความพจอะไรมากนะหมู่เพื่อนผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากอ่ะ ทั้งทคืผมก็บเกลียวก็ร่ววุ่นวายแ่ไม่พ้นคนืจะเป็นห่วงผ้าเราเพราะผมไม่หนักต่อไปอะไรดื้อกว่าหนักในผ้าเงี้ยที่จ้างแต่บริวัติทำหนักในําหนักตลอดไม่มีอ่อนเลยในเรื่องโล ก, กับเป็นางนนาน มลอไปมืยตัมือพระมาเพิ่มหรือเนแล้วพระอ่างก็เพิ่มแก่ไหมทางพระอ่างก็เพิ่มหรือเออแล้วพระไคก็เพิ่มหรือโอ้อไงบ้างงั้นคือตามต้องยาไม่เลยห้าสิบมันฟาจะห้าสิบสี่ห้าสิบห้าไหมชื่ออยู่ชื่อพระมันกะให้พอเหมาะพอดีข้ามากกว่านแอร์อัดาการปรับานไม่สะดวก มอ้เมบากก็เข้าใจกันแ้วเคยไปกับบางหมายแก่ไงคุ้มสมบัติใหม่อรกอย่างก็ให้แง่กันเรื่องรุ่ยาวการโขกการฉันเนี่ยไอ้แง่แต่ะพิจาณตัวเองไอวเราจึงนักกับโอทายมากมากคือราคาการหาสาคัญร่างกายเพราะมันมีกระยางมัน มันเป็นเครื่องมือของราคะอยู่ตอนนั่งผมอยู mm. ่ที่ไหนมันจึงเอากันตรงนี้อ่ะคือมันก็ยังยับยั้งไม่ิึงกันเราก็เห็นมันเป็นไทยอยู่แล้วจะไปงอนใจกับมันได้ยังไงเนี่ยที่ทํำมันมีอันนี้สำคัญเนื้อฝ้ายกันพ่อร่างกายอ่อนยังไงอันนี้ไม่ค่อยมีฉันอยู่บัญญัติก้าวเรื่อเๆอ่างเงี้ยมันไป็นอย่างนั้นนะจึงต้องอดจังทจงจึงขนาดว่าท้องเสียเนี่ยผม ก็จะห้าสิบกว่าปีนะตั้งกต่บัญษาสิบผมจาได้เลยจนกระทั่งจะตายเนี่ยมันอุ่ยเนี่มันค่อยถ่ายของมนเรื่อยๆเฮียก็ไม่หนักหนาหนัก น, นะถ่ายออนมาเรื่อยๆบางทีเก็บวันถ่ายทีนึงหมดไหนท้องไม่มีเยอะเลยแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปแล้วก็ถ่ายถ่ายนเวลารวนประมาณนี้ มันขึ้นหนักเข้าหนักเข้าถึงก็หนักเยอไปไหนขี้ยากเลยยิ่งจะไม่อยู่แล้วเนี่ยนี่แล้วก็ถูยาหมอเจิดนี่ไม่ยาอันนี้เฉียวขาดล้วกิเนี่ยผมบอกว่ายาเชวยาแทรกหรืว่างนะจนผมเองงงนะคือมันเป็นมาจนขนาดที่ว่าจะไปไม่ได้มีแต่จะารใช่ีล้วพอยาๆนี้ดิบถึขึ้นมาเราเองก็สงสัยอ้าว ทำไมมันกระจายอยู่แล้วทำไมแฉันยาลงไปนี่ทำไมมันยิ่ขึ้นดิ่ขึ้นอย่างนี้เหรอหมอเขาก็หมอเขาก็บอกแล้วว่าการฉายนี้มันจะฉายเป็นธรรมยาเหมือนแต่ก่อนนะแต่ว่าการฉายด้วยฤทธิ์ของโรคนี้ฉายเท่าไรก็อ่อนเพียงไปเรนะื่ยส่วนฉายด้วยฤทธิ์ของยานี้มันจะไม่อ่อนเพียงฉายมากเท่าไรก็ไม่อ่อนเพี ย, ยงแล้วเขาจับอยไว้แล้วฉายมากถึงๆก็ไม่เสียเอเข้าชา่าอยู่ เงี้ยเอ้ยก็งหายขาดเลยนยไม่ปากเลยท่องผมที่เป็นมาตั้งจากพันสายสิบเขาผมไม่สนใจกับมันเรื่องท่องเรื่องปากเลยไม่จะปิดจะทำถ่ายช่อฉันแล้วถ่ายหมดใายหมดทุกพอถึงเวลา้เอาอีกเลยไม่สนใจจนกระทั่งพันสายยุคหกเรื่องไปแล้วจนเข้าพันสายยุคเกดชึงอยู่เรื่องการอุตสาหันหยุดทั้งแต่นั้นมา แล้วบำรุงมาใช่มันก็มขึ้นมันค่อยเป็นค่อยไ ป, ยไปแล้วก็หนักเข้าไปเรื่อยๆยี่สิยเก้าปีจริป็นแว่าเอาจริงยีก้าขาไม่ออกแต่มันก็เห็นผลอยู่นั่นเองยี่สิบเก้าวาไงถึงจะลําบากเราได้ผลแล้วก็ทําอย่างอื่นมันไม่ค่อยดีสําหรับนิสัยผมอย่างอดอดนอนเนี่ยผมลองแล้วนะไม่ได้มันเป็นอะไรไม่รู้นะ่ะอดนอน ปากดว่าอดหลายวันก็าเลยยิ่งทื่อทื่อท อ, อ้าวทําไมน่าถึงมีความแยบขายเรื่องสติสตังไม่เห็นมีอะไรเทื่อเขาถือโอ้ยไม่ถูกเนี่ยปัดเลยนะโอดจีคืนก็อดล่ะมันก็ยิ่งทื่อเข้าไปเอ้ยไม่ได้เรื่องนี่ครับพระโอดอาหารรู้มาได้เนี่ยวิธีนี้ครับ นั่งตลอดลุกเลยถ้าถ้านั่งเอาแบบตลอดรุ่งเอาตายเขาว่านี่ได้ผลประจักรอันเนี้ยอาหารเนี้ยมันก็ได้ผลของมันไปเรื่อยเพราะงี้มันจึงได้เป็นมาเรื่อยๆเพราะเราทําหาผลประโยชน์ร่างกายจะ ก, ก้าวขาไม่ออกแต่จิตนี่มันสว่างสวัยเนี้ยมันก็เห็นอยู่นี่การหาความสุขทาง ร, ร่างกายจริงอิ่มแล้วแล้วเดินมามานี่เหมือนม้าแข่งเว่า กำลังมันขึ้นรวดเร็วแต่จิตจะไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะยิงต้องเลยพยุงกันตลอดนะั่นแหละอินอาพากันเลิกกันน ะ, นะนนนนนะแล้วมีอะไรไม่มีอีกนะเอาข้างากับน้นจาก